อาจารย์ครับการณ์พกรครับผมเจริญพรคุณมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านแสงไม่เท่ากันเลยนะแสงครับโอ้แต่วันนี้รู้สึกดีมากเลยครับอาจารย์เหมือนกับด้านคืยกับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ครับท้งาครับทั้งดาอมครับทั้งห้องพระอาจารย์เสียงผมไม่ได้กวนพระอาจารย์ใช่ไหมครับไม่ไม่กวนแะไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินครับผมโอเคไฟมันมืดไปหน่อยนะ ไม่เป็นไรนะโอสบายมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่เช้าไปยินบาดคนเยอะไหมครับผมเมื่อเช้านี่ก็สี่ร้อยสิบเจ็ดสี่ร้อยสาวันนี้สี่ร้อยยี่บสามครับผม ว, วันนี้<อ>คนก็สามร้อยกว่าอ๋อวันหยุดยาวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้ยาวเยอะเลยสิครับอาจารย์พรุ่งนี้อาสาละร่นี้จะไม่อพอเป็นวันที่เขา เขาทราบมาที่หลังนี่บางแห่ง oh. เขาเขาเขาไม่หยุดกันก็มีธนาคารนี่เขาจะไม่หยุดกันอนะ๋อครับผมเพราะเป็นวันหยุดพิเศษเขาให้มันเชื่อมต่อกันจะได้หยุดหกวันนครับผมแต่ปจาชญ์ก็มีเทศหน้ากุดปกติไม่ถึหกวัน6้าหกวั น, วนรวน่วง <laughs> คุณหมาพวกนี้จะไปบินตะบารด้วยบาง ย, ยังไม่ไป เดี๋ยวลงมาบรรังคารเลยดีกว่าครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเห็นว่าจะเข้าพรรษาครับพระอาจารย์ก็เลยขอกําลังจากพระอาจารย์ครับเพราะว่าได้ฟังหัวข้อเรื่องอธิษฐานสัจจะวิริยะขันตินี้ก็จะรู้สึกว่าได้กําลังขึ้นในการภาวนาครับพระอาจารย์ก็เลยต้นพรรษาเลยครับขอกําลังพระอาจารย์ก่อนครับคือการที่เราจะทําอะไรได้เราต้องมีความผูกมัดเกิด ธรรมะที่จะผูกมัดเราให้ทาก็คือสัจจะอธิษฐานสองตัวแรกนี้อธิษฐานนี่ก็แปลว่าการกำหนดสิ่งที่เราจะกระทำเช่นภาษานี้เราจะใส่บา ท, ทุกวันเราจะรักษาศี่ห้าเราจะนั่งสมาธิทุกคืนคืนละสาสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่เราจะตั้งอันนี้เป็นการกำหนด บังคับตัวเราเองว่าเราจะทำอะไรดีเพราะว่าถ้าเราไม่กาหนดเราก็จะไม่ไม่ทำบ้างไม่ทำบ้างตามอารมณ์วันไหนเรามีอารมณ์อยากจะทำเราก็ทำวันไหนเราไม่มีอารมณ์เราก็จะไม่ทำได้เพราะเราไม่ได้ตั้งตั้งอธิษฐานไว้แล้วนอกจากอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจควบคู่ด้วยสัจจคือความจริงใจ คือไม่โกหกตัวเองง่ายๆเรไม่โกหกตัวเราเองเราให้คํามั่นสัญญากับตัวเราเองสัจจะคือความความมั่นสัญญาเหมือนที่พระเจ้าทรงตั้งสัจจะที่ฐานตอนที่นั่งเป็นระธานอยู่ใต้โคนต้นโพลทางตั้งสัจจะที่ฐานว่าจะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดสั้นจนกว่าทุกจะหมดไปจากใจถ้ายังทุกยังไม่หมดก็จะไม่ลุกจากที่ ท, ท, ที่นั่งนี้ไป แมนะ้ร่างกายเลือดในร่างกายจะแท้งไปก็จะไม่ยอมรับือยอมตายถ้ายังไม่พ้นทุกขพอได้ตั้งสัจจายแล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีทางที่จะแก้ตัวได้ว่าอวันนี้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่ว่างหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเราได้ตั้งกนัอสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วถ้าถ้าเรามีสัจจายเราก็จะไม่เปลี่ยนใจ ยกเว้นอาจจะวงเลยกไว้่าถ้าเป็นเหตุสุวิสัยเกิดไฟไหม้น้ําท่วมหรือมีอุบัติภัยอะไรต่างๆหรือเราไม่สบายน้องป่วยไม่สามารถจะกระทาสิ่งที่เราตั้งสัจจะอธิฐานไม่ได้อ น, นี้แล้วก็ก็ต้องยกเว้นไปในกรณีที่มันสุวิสัยถ้าไม่สุวิสัยแล้วก็ต้องพยายามทําให้ได้ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วแวพอเราตั้งสัจจะอธิษฐานแล้ว สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องมีความเพียรคือทําทําอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำแบบอ่ะขอไปทีเตั้งสัจจาแล้วต้องทำํทำก็ทําแบบขอไปทีนี่มันก็อา จ, จะทําให้เต็มที่ผลมันก็ จ, จะไม่เกิดนต้องทําะไรต้องทําให้เต็มที่ทำด้วยความเพียรความเพียรไปอย่างอุตสาหแล้วก็ต้องมีขันติ พราะว่าการทําสิ่งที่ดีนี่มันมักจะมีอุปสรรคมีอุปสรรคทั้งภายนอกและทั้งภายในบางที อ, นนอาจจะมีคนก็มาทักว่าเออนี้เป็นธรรมะธรรมหุษย์อย่างนี้นะหรือบางทมีมีคนมาชวนไปทําอะไรเช่นถ้าเราอธิษฐานว่ารักษาศีลห้าเดี๋ยวมีเพื่อนมาชวนไปดื่มสุดาย่เถ้าไม่ไปก็อาจจะเสียดาเพื่อน บาทีเราก็ต้องมีความอดทนหอดคันต้องถือว่าธรรมะนี้สําคัญกับทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าบอกให้สละทรับสละอวัยวะแม้ละสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีไม่ว่าเราจะทําอะไรทั้งทางโลกและทางธรรมก็แบบเดียวกันทั้งโลกถ้าเราอยากเรียนจบหมออย่างเงี้ยเราก็ต้องมีตั้งศักจ้าว่าต่อไปนี้เราจะ ให้ทุ่มเทเวลาเวลาให้กับการเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็มีความขยนันที่ไปไปเรียนไปอ่านหนังสือไปทําการบ้านอะไรต่างๆแล้วก็มีความอดทนบางทีกิเลสมันก็มาขวางกิเลสมันก็อยากจะให้เราไปทําอย่างอื่นอยากให้เราไปเที่ยวบ้างไปเล่นบ้างอะไรต่านี้มันก็จะเกิดความรู้สึกไว้สบายใจขึ้นมาเราต้องอดทน ทนนะว่ า, าถ้าเรามีธรรมะทั้งสีข้อนี้เราก็จะสามารถพานฝ่าอุปสรรคต่างๆจนถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อันนี้คือไม่ว่าจะเป็นใครกร็ตมท่านอยากจะทำอะไรให้สําเร็จต้องอาศัยบา ร, รมีสีข้อนี้ค<ะ>รับบารมีสีข้อนี้เป็นบา ร, รมีที่ผลักดันให้เราสร้างบา ร, รมีอหกข้อ เห็เมตตาบาลมีสมมูรณ์ธรจะทำจะสร้างเมตตาบาลมีแล้วก็อธิษฐานว่าภัษานี้เราจะไม่โกรธใครเราจะให้อภัยใครก็ทําให้เราโกรธเราจะไม่จองเวรจองกรรมเราจะให้อภัยอยนี่ทานทานบาลมีก็คือเราจะทําบุญใส่บาตรหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ศีลบาลมีเราจะรักษาศีลห้า ไม่ขาดในกามาบาลมีวันพระเราอาจจะถือสินแบกนี่คือในกามาะละการเสพรูปสลลรเสียงกิเลสละอันเสพการก็ต้องถือสิน 8. แบกถ้ า, าอยากจะสร้าง อ, าอุเบกขาบาลมีเราก็ต้องนั่งสมาธิอยจงคงนั่งสมาธิอย่างนันสติตลอดเวลานั่งสมาธิแห่ใจรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานที่สี่ ถ้าเข้าสูร่รองประชาที่สี่เราก็จะได้อเุเบกขาเป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วถ้าเราอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ฟังเทศฟังธรรมหรือพิจารณาธรรมธรรมที่เราต้องการจะพิจารณาพื่อเห็นแจ้งเห็นจริงก็พิจารณาร่างกายเวทนาหรือจิตเงื่อใก็เอาพิร า, านกัน เอาร่างกายก่อนแล้วก็เวทนาแล้วก็เจิตพิจารณาว่าเป็นตายละร่างกายเป็นตายละเป็นเด่นน้ำลมไฟไม่เทียงกับแก่เจิตตายไม่สวยไม่งางมีอาการสาสิบสองนี่คือการเจริญปัญญาวาลมีถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็ปล่อยว า, า, า, า, า, างเวทนาต่อไปอาการเจ็บปวดของร่างกายมันจะเจ็บไปก็ปล่อยมันเจ็บไป ไม่ไปไม่ไปจัดกา ร, เ, า ร, ารเรื่องพิษวานคอยวันนายแล้วเนี่ยเสียงว่าอ๋ออยู่ใจกับอาจารย์เหมือนเหมือนวันนี้ผมได้อ่านอนัตตลักษณสูตรจากเวญจารรมสูตรก็คือเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกให้ใช่ เวทขนันห้าท่านมิสอว่าสันห้าก็คือกายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นการทํางานของธรรมชาติปรากฏการา์ธรรมชาติไมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดมีเหตุปัจจัยมันมืด ม, มันก็มันก็ดับไปมันก็เปลี่ยนไปเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่มันไม่ได้ เราต้องเราใจเขาแล้วเราก็จะได้นไม่ต้องไปทุกข์ของเขาใช่ที่เราทุกข์กเขาเพราะเราอยากจะไปควบคุมเขาอยากจะควบคุมเวทนาให้มีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวพอมีทุกข์เวทนาก็พยายามจะปัดมันไปปัดมันหนีมันแต่มันก็กําจัดมันไม่ได้มันก็ทางก็จะอยู่ของมันไปจกว่ามันจะหมดเหตุปัจจัยที่ทําให้มันปรากฏมันอปัจจัยที่ทําให้มันปรากฏมันหลดไปแล้วก็หายไป แต่เราสามารถอยู่กับมันหล่อนทำหล่อนนี้ได้ถ้าเราไม่มีความอยากใจเราจะไม่ทูกถ้าไม่มีความอยากของเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่ากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เลยรปล่อยให้เขาเป็นไปาตามธรรมชาติของ เ, าเขามันก็เป็นอนัตตาอนัตตาคือธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดออกเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิมีอเมุเบกขา เรากอยู่เฉ่ๆไปอยู่เขาไปได้เราก็ไม่ทุกวันนี้แบบถ้าอยู่บนเขานั่งไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วก็เอาเป็นจ้างครับพระสูตรอ่านจบเล่มไปเลยครับอาจารย์อะไรท้อก็ดีก็ได้ผลัดผัดกันไงเดินยงกองก็จะเรียสติพอออมานั่งอังสือก็ได้ศึกษาเจริญปัญญาสุดตามยิปัญญา ปัญญาที่จะเกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือในเรียกว่าสตัมยายปัญญาขั้นต่อไปเราก็เอามาพิจารณาเพื่อให้จดจําให้เข้าใจเข้าใจสิ่งที่เอา่านพาทีเราอ่านแล้วยังอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องวิเคราะห์เอาเราใช้ความสา ม, มารถในการวิเคราะห์จนกว่าจะร้องอ๋อเข้าใจแล้วอัลตตารติมแล้วเราก็ไปใช้กับของจริงต่อไป ไปเจอของจริงไปเจอความเจ็บแล้วดูสิว่าอ๋อได้ไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้อีกเราห้ า, หามไม่ได้ครับอ ย, ยากตอนเจอของจริงครับอาจารย์จะเจ็บ <c oughs> อยู่เยอะกระจายไปหมดเลยไปเนี่ยพิเ ร, <c oughs> รนโผล่มาตันหาวิภาวะตันหาพผลมาอยากจะให้มันหายเจ็บอยากจะขยับอยากจะนีมันกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้น่าจะ ได้กําลังไปในช่วงเข้พาพรรษาสามเดือนครับจะตั้งใจฝึกบา ร, รมีสี่ข้อนี้ครับพระอาครับก็มีลูกเสร็์เข้ามาแจ้งว่าพรรษานี้ยเขาจะทําอย่างนู้นทำนี้หลกักกาหลายคนนะครับ้ามาก็ดีช่วงเข้พาพรรษาเนี่ยตามธรรมเนียมก็เป็นช่วงที่คนทไทยชอวพูดเราถือว่าเป็นช่วงที่เราควรที่จะอุทิศชีวิตของเราให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรม อบางท่านก็ออกบวชกันบวชสามเดือนครับมีท่านนี้บอกมาแล้วครับคข้าพรรษานี้หนูจะตั้งแต่ถือศีลแปดจำเป็นต้องสมาทานศีลอยู่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องหรอกเพราะว่าการสมาทานก็คือการไปฐานพรว่าศีลแปดมีอะไรบ้างนังถ้าเราไม่รู้ว่าศีลแปดมีอะไรเราก็อาจจะต้องไปสมาทานหรือสมัยนี้เราสามารถศึกษา ค้นหาได้ด้วยตนเองเข้าไปในกูเกิลก็ได้กะอกข้อความว่าศีลแปดมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วอเรารูแ้แล้วก็อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเราเองหรือต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้หรือบาคนเขารู้สึกว่าเขาจะมีพลังตั้งเข้าไปตั้งสัจจะต่อหน้าครูบาอาจารย์อย่างวันนี้มีท่านหนึ่งก็จะจะจ ะ, จะถือศีลแปมันก็เลยมาบอกว่า ต้องมาบอกท่านอาจารย์ว่าจะได้หรือเปล่าคือต้อมีมีคนเป็นพยายนว่าเราจะทำว่าเราจะได้ไหมไม่หลอกตัวเองถ้ า, าทําคนเดียวเราอาจจะไม่มีใครรู้วันไหนวันไหนจะไม่รักษาแล้วก็้า จ, จะไม่รักษาก็ได้แต่ถ้าเราไปตั้งสัจจะกับพระแล้วนี่มันก็้า จ, จะทําให้เรามีความรมัดระวังมากขึ้นที่จะต้องรักษาสัจจะของเราให้ได้อันนี้ก็นะ่าแต่ ความพอใจของแต่ละท่านไม่จําเป็นจะต้องมามาอธิษฐานต่อหน้าพระก็ได้บังวนก็ตั้งสัจจะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทําไปเลยก็สมมรับพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีพรทธรูปไม่มีใครที่ท่านจะไปตั้งสัจจะด้วยแม้กระทั่งสัจจะกับตัวท่านเองคนที่นั่งนะคนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นพธิ์่นก็บ่าต่าไปนี้เราจะจะนั่งภาวนาไปจนกว่ารเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้ายังไม่หลุดเราก็จะไม่มุกจากที่นั่งนี้ไปอันนี้ก็ถือว่าได้สมาธานนะสิบแปก็แบบเดียวแล้วก็ตั้งว่าต่อไปนี้พรรษานี้ตลอดระยะเวลาสามเดือนข้าพเจ้าจะรักษาสิบแปดไปไม่ไม่เว้นยกเว้นถ้าจะไมีเข้ายกเว้นก็ว่าไปเหตุสุขวิสัยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเพราะว่าเไม่ไม่ไม่ตะกิดตะขอดใจเวลาที่เรา อาจจะรักษาไม่ได้ครับคุณมาลิสาครับจิตเราก็ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เป็นของเราใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารยท์ทุกอย่างมันเป็นของธรรมชาติเป็นธาตุธาตุรู้่าน ด, ดินน้ำลมไฟแล้วก็อวกาศสธาติธาตุทั้งหกนี่แหละเป็นส่วนประกอบของจักรวาลของโลก โลกทั้งโลกโลกจากโราณโลกโลกกระถางและโลกโลกทิพย์ด้วยท่านุด้นี้อยู่ในโลกทิพย์ส่วนท่านดินนั้ำลมไฟนี้อยู่ในโลกกระถางโลกที่มนุษย์และสัตว์ในราชาอยู่กันนคุณภูมินเทเบิลครับถ้าเกิดเรายังปฏิบัติสมถะภาวนาไม่มากยังไม่ถึงขั้นอุเบกขาแต่เน้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาเลย จะทําให้เป็นเหตุให้วิปลาสได้ไหมครับก็ไม่ไม่ไม่เป็นเหตุให้เป็นวิปลาสหรอกมันจะเป็นเหตุให้ทําเราอย่างไม่สามารถที่จะทําใจให้เฉยได้เพราะเวลาเราจะวิปัสสนาเราก็จะสรุปข้อจากปัญญาที่เราได้สรุปว่ามันเป็นเราจะสิ่งที่เป็นอนัตตาเราทํำลายกับมันไม่ได้เราก็ต้องอยู่เฉยๆอยู่กับมันไปแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะอยู่กเฉยๆไม่ได้ เพราภาวะตันหาแล้ววิเวพอวิเวภาวะตันหามันจะคอยผลักดันให้เราเดินหนอนเดินดีแล้วดินเข้าหาพอเกิดตันหาขึ้นมามันก็ยิ่งกัดยิ่งกัดทุกข์ขึ้นมาชั้นหนึ่งก็ทุกข์ภายในใจเพช่นถ้าเราไม่อยู่เบิกขาเราก็จะระงับได้ถ้าปัญญาบอกว่าต้องอยู่เฉยๆอย่าไปอยากอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากอะไรอ อยพยายามให้มันไม่เจ็บอย่าพยายามให้มันไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นคุณวันเพ็ญครับกลับพระอาจารย์แม่ตาให้ความรู้เรื่องการฝึกตายก่อนตายจริงเพื่ออบรมรักษาจิตเมื่อเวลาใกล้ตายแล้วร่างกายเกิดเวทนารุมเร้าแต่จิตมีที่พึ่งที่ระลึกช่วยน้อมจิตไปสู่สุคติภูมิเจ้าค่ะก็คือเบื้องต้นเราก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องตายเป็นธรรมดา เกิดมาแล้วต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาน้องพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เมื่อเราพิจารณาอยู่เนืองๆจนกระทั่งกกเราไม่หลงไม่เลวแล้วขั้นต่อไปเราก็อาจะต้องไปทําข้อสอบว่าเรายอมรับความตายได้หรือไม่ก็คือเราต้องแบนที่อยู่ที่เราคิดว่ามันมีอันตรายต่อชีวิตเราเช่นไปอยู่ในป่าทางคุณหมอคืนนี้เด็กเขึ้นไปอยู่ในป่าคนเดียว แล้วขากลับขึ้นไปเนี่ยบนเขามืดนเลยนงานไปนี้ก็เลยจะเจอสิ่งสาระสลายหรือเปล่าถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าเรายามตายก็เดินแบบไม่ต้องเปิดไฟไปเลยเดินในที่มืดไปเลยคาไปคาทางไปคืันี้ไม่เวลาเลยรู้สึกจะมีแสงเดือนอยู่นิดหน่อยพอจะเห็นทางนเลยลองทําอย่างนั้นดูถ้าเกิดคิดว่าเดินไปแล้วคิดว่ากําลังจะไปะเหยียบนหะูอะไรนะเหยียบไปเหยียบตายก็ตาย ถ้าเราทำงั้นได้ใจมันกี่เลยใจมันจะปล่อยมันจะรู้ว่าโอต่อไปนี้เราไม่กลัวตายนะเพราะเรายอมตายนะเพราะเราคิดว่าตอนเมื่อกี้นี้เราเรากำลังจะไปะถูกงูกัดมันจะไปเหยียบงูงู ม, มันจะกัดเราแต่เรายอมก่อนแต่ตอนนั้นต้อเกิดความกลัวสุดขีดขึ้นมาก่อนนะกลัวจริงๆกลัวจะงูกัด น, นะยะน่าก็ยอมตายยอมตายตายเป็นตายว่าหนีพ้นความตายไม่ได้ ให้อยู่ที่ปลอดภัยขนาดไห น, นวันใดวันหนึ่งก็ต้องตายถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นเวลาที่เราต้องตายก็ยอมตายพอเรายอมตายจริงๆแล้วคิดว่าจะถูกงู ก, กัดจริงๆเหมันมันกลัวจริงๆแล้วพอมันยอมตายจริงๆมันปล่อยพอมันปล่อยมันหายกลัวเลยใจก็จะนิ่นเงเย็นสงบอันนั้นนะซ้อมตายแบบตายต่อไปนีน้ต่อไ ป, อไปหลังจากนั้นเราจะไม่กลัวความตายต่อไป อาจารย์ก็เคยถูกกัดจากบนเขาครับอาจารย์ถูกกัด<ม>ก็ดเดินลงมาเกือบจถึงที่วงเวียนนะถึงที่เแยงก็นอนกัดเดินไปเชียวมันพอดีมันนอนอยู่กลางถนนธรรมดาเดินลงมาจากเขาเราจะไม่ได้ใายไฟครับก็เดินลงมาแล้วป้อนนุ่มมีแสงแสงแสงเดือนแสงดาวพอเห็นทางสลัวๆถ้าเป็นสันใหญ่ถ้ามันงูงูตัวใหญ่มันก็จะเห็น อันนี้มันตัวเล็มันตัวขนาดนิ้วหนะน้าแต่มันเป็นงูเป็นงูพิษงูงรงงกระปะอะไรพอดีไปไปเชียวหัวมันพอดีเลยมันนอนอยู่แล้วเท้าเราก็เดินไปเฉียดหัวมันมันก็จกตัดตรงที่ปลายเท้าเร า, า, าอเองต้นเท้าพอเราโม้ฉกกรดก็เล้เนื้อหยิไปใช้มาสายดูว่าเป็นงูอะไรพอรู้ว่าเป็นงูอะไรแล้วก็เดินไปที่ ตรงสายสารแรมแยกในบ้านเจ้าหน้าที่ตำราจอยู่ก็บอกว่าช่ไปพาไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะคว่าต้องไปฉีดอะไรั่อาเซลล์เขาก็เบยพาเขาจนนั้ม น, น, น, นมันเช้ามืดแล้วตอนที่ลงมาจะไปเบญท บ, บก่อนจะสว่างประมาณตักชัว่วโมงประมาณตีห้ามากกว่าเขาก็พาไปที่โรงพยาบาลแล้ น, นเราก็เล่าว่าเป็นมูมชนิดไหน ตอนตรกเขาคิดว่าเขาจะเอาเซรั่มมารียกฉีดทันทีเขาก็ไม่ฉีดก็ว่าทําไมไม่ฉีดเดี๋ยวไม่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะถ้าเป็นถ้าเป็นยาถ้าเป็นมูแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เสียงแก่ความตายมันจะทําให้เลื่อดไม่แข็งตัวและเพื่อเพื่อที่ความมั่นใจก็ต้องรองดูสักหชั่วโมงก่อนเอาเลือดไปตรวจดูว่ามันแข็งตัวมันไม่แข็งตัวหรือเปล่าเพราจจะถ้าเพราะอาจจะว่าพิษมันอาจจะอ่อนมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องฉีดเซรุ่มก็ได้ ก็ไหพอไปถึงเมืองต้นเขาก็เอาเจาะเจาะเลือดไปตรวจมาก่อนมันก็ยังเป็นปกติอยู่ก็เขาบอกต้องรอยหกชั่วโมงก็ประมาณเช่นเที่ยงามาเจาะ อ, อีกทีทีนี้เข้าไปตรวจดูมันไม่แข็งตัวเลยวอ้าออกแล้วลครับออกไม่แข็งแล้วเขาก็เลยต้องเอาเส้นนูมาให้ผ่านทางสายสายไอวครับโอสายเลือดให้ให้ไปขวดแรกมันก็ยังไม่อยู่ ก็ต้อให้ขวดที่สอง oh. แล้วช่วงที่ถูกอากามันก็จะเกิดอาการเริ่มปวดขึ้นมาเทแลน้อยแล้วเส้นเลือดที่ที่เป็นเส้นเล่นที่เส้นเลือดที่มันพิษมันเข้าไปมันยากราดเป็นสีดำมันจะออกบอเมันสีดำมองเห็นครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินระวังครับอาจารย์ <c oughs> ถ้ายังถ้ายังไม่อยากจะดูจุกหั ก, กาดก็ใช้ฉายไฟไปดู คุณไปก่อนครับครับคุณวิทรินครับอยากทราบว่าคนที่เขาหลับไปแล้วเสียชีวิตอย่างนี้แล้วไปอบายหรือไม่ครับจะไปอามหรือไม่อยู่ที่บุญที่บาปเราทําว่าอันไหนมีมากกว่ากันถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญเราก็จะไปอบายไม่วา่าเราจะตายแบบไห น, นก็ตามไม่สําคัญตายด้วยอุบัติเหตุตายด้วยนอนหลับไปนี่มันไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยวกับที่เราจะไปที่เหตุที่จพาให้เราไปคือบาวไม่บุญว่าอันไหนมีกําลังมากกว่ากันคุณชุติครับถามเกี่ยวกับการเข้าพักในการปฏิบัติต้องทําอย่างไรครับก็ต้องติดต่อที่หา้ที่ทางวัดคืติดต่อที่สำนัก ง, งานวัดแล้วเขาก็จะให้จองที่พักแล้วก็จะให้อยู่ได้ประมาณเจ็ดคืน เจ็ดวันต่อหนึ่งหนึ่งครั้งเป็นหอพักแบบหอพักรวมเป็แต่แยกเป็นห้องของใครออกมาแล้วก็เป็นภารกิจจะนมโบสถ์เช้าเย็นไหวพัก ส, สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิในโบสถ์ส่วนเวลาอื่นนะก็ปฏิบัติตามปัตยาใจในที่พักของตนเมื่อจะเดินออกมาที่วัดแปรหา บ, บุญสงบของวัดก็ได้ไปนั่งสมาธิํามงสมบัต่างๆ คุณมาริสาครับทําไมถึงไม่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเจ้าคะอ๋อพระท่านลาดโลกแล้วท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกแล้วท่านลุกไปทำธรรมอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งพระนี่ต้องอยู่ดยอาการให้ของของคนทางโลกถ้าไปเล่นการเมืองเดี๋ยวคนที่เขาอยู่อีกฝ่ายเนี่ยก็จะไม่ใส่บาตรให้กินเนะพระไม่คนที่จะไปยุ่งกับการเมืองเพราะมัน ถ้ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากการบ้านกันเมืองเห็นว่าบ้านเมืองนี้เป็นตายรักเป็นอย่างที่จำทุกครั้งนั่นแท่านต้องการที่จะไปหาการหยุดทุนจากความทุกข์ดยการไปบวชไปไ ป, ไปปฏิบัติธรรมคุณนัทวันครับคําปธิฐานตามพุทธศาสนาไปอยู่จริงไหมครับต้องทําอย่างไรครับอ๋อถ้าถ้ า, ถาอฏิษฐานหมายถึงขอไม่มี ส่วนยาชาพุทธเราจะคิดว่าคำอธิษฐานคือคําขอแปลว่าขอข อ, นานขอให้ได้น้านขอให้ได้นี่ขอให้ได้งานบางคนตกงานก็อยากจะขอให้ได้งานบางคนอ่ารค้าไม่ค่อยดีก็อยากจะให้การค้า ด, ดีเจริญนุ่งเรืองก็ไปอธิษฐานขอพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ได้ยินได้ฟังว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดดังๆทั้งหลายที่มีึ่งพะอุทิรูปมีชื่อเสียงอะไรี้แล้วก็ไปไปทําบุญหยอดเงินในตู้หน แล้วก็จุดดอกมาทุกเทียนแล้วก็ตั้งตั้งอธิษฐานของนั่นขอนี้อันนั้นไม่ใช่เป็นอธิษฐานในพระพุทธศาสนานอันนั้นเป็นอธิษฐานตามภาษาของภาษาไทยเราคือขอซึ่งไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราจะได้อะไรไม่ได้อยู่ที่การขอแต่อยู่ที่การกระทําของเราคือกรรมนี่จะทํากรรมอันใดไว้เราก็จะต้องรับว่าผลของกรรมนั้น ถ้าต้องการความสุขความเจริญแล้วก็ทําบุญทำกุศลถ้าเราต้องการความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็ทาําบาปนั่นเป็นก็จะแต่แต่กฎแห่งกรรมที่ไม่เกี่ยวกับความเจริญทางโลกก็ทำนะด้วยการความเสื่อมของทางโลกก็ทำคือราดลดสรรเสริญสุขนี้มันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันอยู่ภายใต้กฎของตายรักเวลามันจะเจริญก็จะเจริญขึ้นมาเวลามันจะเสื่อมันก็เสื่อมขึ้นมา มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําทำดีแ ล, แล้วทําบาปเราจะทําให้มันเจริญหรือเสื่อมคนทำบาปแล้วเจริญทางโลกก็มีใช่ไหมเป็นใหญ่เป็นตัวนารวยก็มีด้วยการชอบโกงรักทรัพย์ corruption อะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสุขความเจริญด้านจิตใจเรื่องความเสื่อมความทุกข์ของจิตใ จ, จ จิตความเจริญก็คือใจสูงขึ้นจากมนุษย์เข้าไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้าถ้าเสื่อมก็ใจก็ลดจากมนุษย์ไปเป็นเนราชาญเป็นเปรดเป็นโสตรกายเป็นนรกไปอันนี้คือความจเจริญความเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกิดจากการทําบุญหรือทำบาปแต่ขอไม่ได้ของเันนี้มันเกิดจากการกระทําขอให้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้ถ้าไม่ทําบุญตอกทายก็ไปไม่ได้ ขอไม่ให้ต่ อ, องท้อก็ไม่ได้ถ้าถ้าทำบาปอย่างแน่แน่คุณทัศนาครับกราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะเวลาใส่บาตรและอุทิศให้ญาติญาติหลายๆลท่านจะได้รับบุญทั่วถึงไหมครับก็ต้องเป็นญาติที่ล่วงรับไปแล้วแล้วก็อยู่ที่ฐานะของเขาว่าเขารอรับหรือไม่บางท่านเขามีบุญเยอะเขาไม่ต้องมารอรับเขาเป็นเศรษฐีบุญเขาต้อไปเป็นเทวนาพวกที่มารอรับนี่เขาเรียกว่า ขอทานทางจิตวิญญาณพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปพวกนี้แหะที่เราเรียกว่าเปรย์คุณอัชราครับเรียนถ่าพระอาจารย์ครับการที่เราซื้อไข่ปลาในตลาดเพื่อมาทําอาหารเราบาปบ้างไหมเจ้าค้เพราะไข่ปลามีหลายชีวิตแบบนี้เท่ากับเราสนับสนุนในเขาจับแม่ปลาและผ่าวไข่มาขายให้เราหรือไม่ครับถ้ามันถ้ามันเป็นของนี่ตายไปแล้วก็ไม่มีปัญหา ถ้าเป็นซื้อของที่ยังมีชีวิตอยู่แนละ้วมามาทําเป็นอาหาร <c oughs> ก็เท่ากับค่าค่าสิทิ์ที่มีชีวิตอย่างนี้ก็บาท <c oughs> แต่เรื่องการสนับสนุนหรือไม่นี่มันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันไกลไกลตัวออกไปนะทางเรื่องของการการกระทําทบาปนี้ไม่ถือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนแต่ถ้า แ, แต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นการสนับสนุนคุณอยากสนับสนุนคุณก็อย่ากไปซื้อของที่มีชีวิตมามา มาทำปิดอาหานแล้วกัซื้อผักซื้ออะไรไปกินเจไปคุณพงพันธ์ครับสำ ม, มาสมาธิกับกับมิจฉาสมาธิมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายให้สิทธิได้กระจาดด้วยครับสำมาสมาธิก็ส ม, มาธิทีส่สนับสนุนการเจริญปัญญาเพื่อให้ปัญญาเป็ น, เ ป, นเป็นภาวนาเมญปัญญาก็ต้องเป็นส ม, มาธิที่ มีอุเบกขาหรือสมาธิที่จิตสงบแน่นเป็นอัปปามะอัปปนาสมาธิหรือฌานสี่อันนี้เป็นสมาสมาธิส่วนวิชาสมาธิก็เป็นสมาธิที่เวลาจิตรวมลงแล้วไม่อยู่ในสมาไม่อยู่ในฌานออกไปท่องเที่ยวในนอกทิพยงนี้เป็นพวกที่มีอภิญญาพวกที่ไปที่ไปติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับเทวดาติดต่อกับผี ต่อดวงวิญญาณของคนที่ตายกัแล้วได้หรือไปมีความรู้ความสามารถที่จะอ่านวาลจิตชมผู้อื่นได้หรือสามารถรัุรชาติได้อ น, นี้เป็นวิฉาสมาธิเพราะสมาธิแบบนี้ไม่สามารถมาสนับสนุนปัญญาให้เป็นภาวนาไมยปัญญาเพื่อรักกิเลสตัณหาได้ดงนั้นผู้ที่ปฏิบัติถ้าเกิดมีความสามารถที่จะเข้าสู่อุปจารสมาธิก็ต้องราวัง ว่ากําลังไปผิดทางแต่โชคดียอยู่ที่ว่าคนที่จะได้อุปจารสมาธินี้มีน้อยมากอาทิได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่นานไล่ฟังว่ามีประมาน้อยละห้านะน้อยคนอาจจะมีแค่ห้าห้าองค์ที่มีความสามารถที่จะไปมีอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้จะมีประโยชน์นองจากที่บรรลุแล้วก็สามารถใช้อุปจารสมาธิสอนเทวดาได้ พระพุทธเจ้าตอนที่ไ ป, ปตรวจพุทธมารดาตลอดระยะเวา 1, ลาหนึ่งพรรษาก็ไปด้วยอุปจาราสมาธิแต่ท่านท่านท่านใช้อุปจาราสมาธิหลังจากที่ท่านตัดสรู้แล้วช่วงที่ท่านช่วงที่ท่านยังไม้ตัดสรู้ฉันไม่ฉันไม่ไปทางอุปจาราสมาธิท่านเขา้าเขา้าปัญหาสมาธิเข้าสู่ความสงบเพื่อให้เกิดอุเบกขาขึ้มนมา คุณมาริสาครับตอนนี้การทําบุญทําทานในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยนี้เจ้าค่ะจากทําบุญทําทานด้วยหลอดไฟเปลี่ยนเป็นทำบุญทําทานด้วยแผงโซลารเซลล์เพราะค่าไฟแพงแต่ได้บุญกุศลเท่ากันใช่ไหมครับก็ได้ก็ต้องเราก็ต้องดูว่าวัดที่เราไปทําบุญไนดะ้เขาใช้ไฟแบบไหนวัดบางวัดท่านก็ยังใช้เทียนอยู่ก็มีวัดบ่าเนี่ยวัดที่ไม่มีไฟฟ้านี่ บางทีท่านก็ไม่เนียเอาให้ใช้ไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าเพราะไฟฟ้ามันมีทั้งคุณมีทั้งโทษมันมีคุณก็ให้แสงสว่างในที่มืดแต่มันก็อาจจะเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือเพื่อชาร์จแบตบเพื่อจะได้เปิดปดูไปดูรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆทา ง, ทางโทรศัพท์ก็ได้เนืองไปสมัยก่อนก็มีวิทยุมีทีวีอะไรก็อาจจะใช้เปิดดูทีวี นั่นวัดป่าสบายที่เราไปอยู่วัดป่าวั ด, าวดตานที่จะเอาไฟฟ้าเข้าก็ได้แต่ท่านไม่ให้เอาเข้าท่านบอกเดี๋ยวพวกเทวทัศน์มันจะเข้ามาได้แต่เรียกทรทัศน์ว่าพวกเทวทัศอ๋อครับนี้เวลาเราจะทำถวายของที่จะให้กับวันนี้ mm hmm. ก็วนน mm hmm. ควรที่จะไปศึกษาว่าพระเขาวันนี้ก็ขาดแคลนอะไรเขต้องการอะไรเได้ตกเป้าเวลาที่เราทํามันจะได้ประโยชน์จริงๆในคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเวลา มาเร็วไปซื้อของที่เขาจัดไว้ตามร้านขายสังกัดพันซึ่งเต็นนมไม่หมดเนี่ยมีกองเป็นร้อยเลยเวลาวันเข้าปรรษาหรือวันอะไรทีแล้วก็ไม่ได้ใช้มีสบู่ก้อนหนึ่งมีเทียนอันหนึ่งมีผ้า พ, พื้นหนึ่งแล้วก็มีนมกล่องหนึ่ง้ว้สำรองที่ทาาก็จัดสรรมาซึ่งถ้าเราอยากจะทำบุญนะทําแบบเราไปซื้อของใช้ที่ใช้ได้ดีวกว่าใช้ ยาซีฟันอ ะ, อะไรยาซีฟันแปลงฟันแปงอะไรต่างๆของที่ท่านใช้ประจบอยู่นี่ที่ต้องใช้เป็นประจาอยู่ซื้อของเหล่านี้ดีกว่าครับมีหน้าบนเขาถึงยังไม่มีไฟนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์พอาจารย์รักษารูปแบบเอาไว้เต็มที่ครับคุณภูมินครับ การที่จะปฏิบัติสมถะให้ถึงฌานสี่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกวันทุกๆวันใช่ไหมครับคือมันไม่ได้อยู่ที่เวลาเวลาอย่างเดียวมันอยู่ที่สติของแต่ละคนด้วยว่ามีมากมีน้อยบางคนมีมากอยู่แล้วเนี่ยบางทีนั่งเฉยๆก็เข้าฌานสี่ได้ก็มีเช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กเนี่ยท่านอยู่ประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้แล้ววันนั้นพวกบัวสัตว์บริวารที่เคยหอมล้องคอยดูแลท่าน เลาไปทำภารกิจอื่นหรือปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ใต้โคนต้นไม้ตามลําพังพอท่านไม่มีใครมาเลาะมาหอมล้อมไม่มีใครอะไรมาดึงใจของท่านให้ออกมาทางตาหูจมูกริ้นกายกายที่เคยเข้าชานก็เข้าชานของมาทันทีพอทำอยู่ในบรรยากาศที่สงบวิเวกพอกายวิเวกแับจิตก็วิเวกขึ้นมาได้อันนี้เป็นกรณีที่ยกเว้นนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนเป็นกรณีพิเศษ คนที่สะสมออุเบกขาบารามีมาแล้วในชาติก่อนเขาจะสมัยชาติก่อนนั่นคอยบวชเป็นพระค่อยบวชเป็นนักบวชมาคอยคอยเข้าฌานใหม่พอชาตินี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอท่านไปอยู่อยู่ในในช่วงที่กายวิเวกแบบเขาวิเวกทันทีอย่างนี้เขาไม่ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเขาให้ไปอยู่ที่สงบวิเวกแล้ว กำลนดสติหยุดคิดปั๊บมันก็รวมกันได้ทันทีแต่ถ้าสาหรับคนที่คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดคิดนี่ก็ต้องอยู่ที่กำลังของสติว่าเราจะสามารถหยุดหยุดมันได้ไหอมอันนี้อาจจะต้องปฏิบัติมากหน่อยต้องจเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นั่งสมาธิดู ขณะหลวาท่านงตาได้เคยเล่ามว่าช่วงที่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจริงท่านยังเรียนปริยัติอยู่ศึกษาบาลีอยู่ดังนั้นถ้าบอกว่าท่านเคยเข้าสภา ท, ที่ได้แค่สามครั้งนั่น ค, คุณพุทธิพง์ครับขอากาศครับทำไมจิตผมเชื่อแต่ความคิดคน้นทำอย่างไรจิตผมจะไม่เชื่อความคิดตนครับ เราต้องคิดเอาความจริงมาคิดสิเราต้องศึกษาความจริงก็งศึกษาจากผู้สอนผู้จ้าสอนความจริงให้เราคิดตามความเป็นจริงฉะนั้นคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เทีย่ยบไม่มีอะไรแน่นอนมีเกิดได้มีดับได้มีเจริญได้มีเสื่อมได้อันนี้แหละคือความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเสมอไปบางทีเราก็บังคับได้บางทีเราก็บัง ค, บบงบงคับไม่ได้ แล้วถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราไม่สามารถทำให้เขาเป็นได้เราก็จะไม่ทุกข์นี่ยคิดแบบนี้คิดตามความเป็นจริงแล้วคิดตาม น, นักปา่า <St ığımız> นักปา่าท่านจะสอนให้เราคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไปคิดว่าอันนั้นเป็นของเราอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้เป็นความหลงพาให้เราคิด คุณทัศนีพรครับหากเราทำบุญบริจาคแล้วเระลึกถึงบุคคลที่จากไปในโลกทิพย์การเอ่ยก่อนหรือหลังจะมีผลได้บุญเท่าเท่ากันไหมคะรวมทั้งไม่สามารถจำชื่อเต็มๆได้เช่นน้มของหลวงพ่อบุญจะถึงไหมคะก็ไม่ต้องไม่ต้องนึกชื่อก็ได้นึกถึงตัว ต, วตวนของท่านกะ็ได้นึกว่าพระรนี้ท่านคนนี้ที่เคยมีอุ ป, ปการะคกัข้าพเจ้า มีความสัมพันธ์อย่างไรก็ไม่ต้องตกเชีก็ได้หลังเราทิ้งบุญหลังจากที่เราทําบุญก่อนนะถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราก็ไม่มีบุญจะทิ้งนะคุณพิสิทธ์ครับขออนุญาตสอบถามครับคําสอนพระพุทธศาสนาที่ว่าให้ละความชั่วและทําความดีการละความชั่วในที่นี้หมายถึงการถือศีลหรือไม่ครับถูกต้องการไม่ทํำบาปห้าข้อสี่ข้อ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดโดแล้วก็ไม่ให้เสกประบายอย่างงุเช่นการดื่มชัวรายาเมาเล่นการตอนัานการเที่ยวเตร่ความเกลียดค้านและการคอบคนชอบเอาไว้อย่างงุกเป็นเม็ด น, นี่คือสิ่งที่เราต้องละเพราะมันจะนำพาเราไปสู่การกระทําที่ไม่ดีที่จะส่งผลเสียหายแก่จิตใจอยู่ความทุกข์และความเสื่อมเสียอีก ใ, ใจเราก็จะตกลมตักหวาความเป็นมนุษย์ไป คูนำพรครับเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนหายใจไม่เต็มท้องหรือลงไม่ถึงท้องเลยจะแต่สี่้าก็เวลามาวัดก็เต็มแต่อยู่บ้านต้องฆ่ายุงแล ะ, มะแมลงต่างๆนะครับทําไมต้องเหนื่อยกว่าให้มันอยู่ก็ไปตามสภาพไม่ได้เลยอยู่ที่เราเราไปอ้างเหตุผลมวม่ต้องฆ่าเขาเองถ้าเราถ้าเขาเป็นเราเราเข า, เขาจะคิดอย่างเราหรือเปล่าทําไมต้องฆ่าเราด้วย ถ้าถ้าเราเป็นเขาเราจะเราจะคิดว่าให้คนหนึงต้องฆ่าเราหรือเปล่าเราก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ให้อยู่ด้วยกันก็จับเข้าไปแล้วก็บร ป, ปล่อยที่อื่นไปอยู่ปล่อยที่ไกลๆหรือหาวิธีป้องกันแม่เขาเข้ามาในบ้านเราคุณวิชยาครับหนูพยายามจะสร้างสัจจะบารมีเช่นเริ่มต้นด้วยการตั้งใจว่าจะไม่ทานข้าวเย็นแต่สุดท้ายพอตกเย็นเริ่มหิวหนูก็ห้ามตัวเองไม่ได้ อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจำวันกราบถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะหนูยังไม่มีสติพอที่จะชนะกิเลสและความอยากทั้งหลายหรือเปล่าคะคือสัจจะบารมีอาจจะมีมากขึ้นถ้าหนูนั่งพุทโธฝึกสติให้มากกว่านี้ไหมครับก็เป็นไปได้ความไม่มีสตินี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราย้ำยั้งกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสโถกาลังสติไม่พอมันก็สู้มันไม่ได้เอานุ่นดอนก็พยายางฝึกฝึกสติไปก่อน อาจจะตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้จะฝึกพุโทโธฝึกสติอยู่เรื่อยๆทั้งวันเวลาไหนที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องงไ น, นก็จะใช้พุโทโธพุโทโธยับยั้งความคิดแล้วเราตั้งสัจจะทำในสิ่งที่เราทําได้ไปก่อนวันไหนที่เรายังทําไม่ได้เราก็อยาเพิ่มไปตั้งสัจจะคุณเที่ยวไปเรื่อยครับบอกว่าตั้งแต่ฟังป้าอาจารย์มาทําให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติมากขึ้นเลิกตะเวนตามหาผ้าอาหารทุกวัดแล้ว แต่เน้นหาสถานที่ปฏิบัติที่เงียบสงบไร้กิจการงานรบกวนการปฏิบัติธรรมเข้ามาแทนครับคุณสัจจาบอกว่าเขา้าภาษาจะฝึกตั้งสมาธิให้ได้อย่างน้อยสิบนาทีทุกวันนะครับดีสาธเตจาเอาว่าย้อยสิบนาทีครับ คุณวิชยาครับหนูเคยทำผิดศีลข้อหนึ่งผ่านมายี่สิบกว่าปีแล้วผู้คนรอบตัวที่เสียหายก็ให้อภัยหมดแล้วแต่หนูติดเรื่องนี้อยู่ในใจเหมือนเป็นบาปที่ไม่หมดไปเฉยทีอันนี้ถือเป็นผลของกรรมที่หนูทำอะไรไม่ได้นอกจากร้อยผลกรรมนี้หมดไปเองหรือเปล่าครับมันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอุปทานที่เราไปผูกมัดใจเราไปคิดถึงกรรมที่เราทำมาแล้วก็วเราอย่าไปคิดถึงมันเ็จปล่อยให้มันเป็นไปน มันเป็นเวลามันจะเกิดผลเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ก็มันปนก็เป็นเหมือนอนัตตาเหมือนฝจะตกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้สิ่งที่เราควรจะทําได้ก็คือเตรีย ม, มใจรับกับเหตุการณ์รับกับผลบาป ท, ที่เราทําก็แล้วกันอย่าใจเราไม่ควรที่จะไปให้ความสําคัญอย่าไปคิดถึงมันมันเป็นอดีตไปแล้วให้ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันไปแล้วก็สอนใจว่าการรมใดที่เราทำไว้แล้วเราก็พร้อมที่จะรับกรรมนั้นเมื่อถึงเวลาที่มันจะเกิดขึ้น ท่านนี่ก็จบจะได้ไม่ต้องมาตังวนมากเกินไปคุณทีคาธนาครับศีลแปดทานน้ำเต้าหู้ได้ไหมเจ้าคะถ้าหมายถึงหลังจากเที่ยวมาแล้วละแต่วัดเนี่ยวัดสายธรรมยุทธ์นี่ท่านถือว่าเป็นอาหารก็จะดื่มไม่ได้แต่ถ้าวัดสายวัดสายมานิการู้สึกว่าถ้าไม่ถือว่าเป็นอาหารนั่นถือว่าเป็นเครื่องดื่มก็ดื่มได้ นีก็อยู่ที่การแปลความในใ น, ในสิ่งเขาที่เราจะดื่มหรืจะรับประทานว่าเป็นอาหารนีืเป็นเครื่องเดื่มคุณอีฟครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราไปพักบ้านเช่าที่มีคนเสียชีวิตวิญ ญ, ญาณจะมาแฝงในร่างเราได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้หรอกไม่ได้วิ ญ, ญญาณเขาเขาจะไปรอรับร่างกายใหม่นี่ครับก็จะไม่ม า, าร่างกายเก่า Peace ๆของเราหรอเสียเวลา เป็นไ ป, นปนไม่ได้บรรยายนแตร่ละของร่างกายของแต่ละคนได้มีบรรยายนครอบครองอยู่แล้วไม่มีใครที่จะเข้าไปแทรกได้คุณอีฟครับถ้าเราพักคนเดียวกลัวผีมากต้องทําอย่างไรเจ้าคะเวลากลัวให้ท่องพุทโธพุทโธแล้วสวดบนต์ไปสวดอิติปิโสไปอย่าไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวถ้าเราหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวได้ด้วยการสวดมนต์ไปความกลัวก็จะหาย กคุณพีระครับกลับเรียนถามครับได้มีโอกาสาร่วม ง, งานกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อได้เห็นเขาตอนนั้นจิตใจฟุ้งซ่านมากคิดถึงเขาตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิก็ไปคิดถึงเขาพิจารณาว่าเป็นซากศพก็ยังไม่หายขอคำแนะนำวิธีแก้ครับก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่หายก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆดูอวัยวะต่างๆของเขาดู โครงกระดูกของเขาดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ดูอะไรต่างๆเหลนี้ต้องพยายามทําหมืน ก, กักินยาละกินเม็ดเดียวมันยังไม่หายหรอกนะต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบพอมันครบแล้วเดี๋ยมันก็หายอยันนี้ก็เหมือนกันเราสุขภาพไม่ใช่คิดแป๊บเดียวแล้ไม่หายคิดแล้วก็อยากจะให้มันหายทันทีแล้วไม่หายก็ต้องคิดไปเรื่อยๆต้องดูไปเรื่อยๆดูลำกายดูส่วนที่ไม่สวยไม่งาดของร่างกายไปเรื่อยๆ ดูกะโหลกสีขาว่าทุกครั้งที่เห็นร่างเราก็นึกถึงกะโหลกสีาขาวของครับเห็นร่างกายของเขาที่มีสัตว์ในสว่วนก็คิดถึงโขบ ค, โคโดูที่เป็นผู้สนับสนุนให้ร่างกายเขามีสัตว์ในส่วนขึ้นมาคุณกรครับถือศีลแปดที่บ้านเพียงหนึ่งวันก็ได้<ม>ใช่ไหมคะคือศีลที่ถือได้ทุกแห่งทุกคนเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปถือที่บ้า น, ท, นที่ไหน แต่มันก็มีมีความยากนะถ้าถือถือศีลที่บ้านนี่มันอาจจะยากกว่าถือศีลที่ที่วัดก็ได้เพราะว่าที่บ้านอาจจะถ้าเราอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่ถือศีลมันก็อาจจะมานอกเลนเราได้เวลาเห็นเขก ก, กินอาหารเย็นเราก็อาจจะเกิดความอยากกินขึ้นมาก็ได้เวลาเห็นเขาดูหนังฟังเพลงแล้วเราก็พอได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วก็อาจ ain, อยากจะทําตามเขาก็ได้แต่ถ้าเรามปอยู่ที่ที่ไม่มีใครก็ทํา มีอยไปอยู่ที่ที่ถือสินเหมือนกันหมดนี่มันกจะได้ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจเราคุณเจียมจิตครับสมาธิที่ทำจำเป็นต้องอยู่ในสถาน<ม>ที่ที่สงบไหมครับที่สงบมันจะช่วยทำให้การทำสมาธิง่ายกว่าอยู่เต็นที่ที่มีความวุส่สวุ่ครือโคลงออกไปนั่งสมาธิในบ้านในผับดูไหย ก็เป็นหน้าในป่าชา้านี่ตันไปเลยเวคุณอีฟครับเวลาเรานอนหลับวิญญาณสามารถดูดพลังงานเราได้ไหมเจ้าคะ่ะวิญ ญ, ญ, ญ, ญาณของผู้อื่นไม่ได้ครับคุณเปียนันครับขอเล่นถามเรื่องการติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆค่ะพอจะเข้าใจว่าคนชอบเสพอารมณ์ที่ดีเพราะทําให้มีความสุขแต่ทําไมคนถึงชอบเสพหรือติดจมอยู่กับอารมณ์ที่ทําให้เป็นทุกข์ด้วยคะ เพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์เหมือนกันไงเพราะมันติดสุขมันก็พอมีอารมณ์ทุกข์มันก็พยายามที่จะกําจัดมันยิ่งพยายามกําจัดมันก็ยิ่งยิ่งติดอยู่กับมันยู่เน้นต้ไม่เสกทั้งทั้งสุขและและถ้าไม่เสกทั้งสุขมันก็มันก็จะไม่มันก็ยังไม่ติดที่อารมณ์ที่ทุกข์ด้วยเพราะมันก็เป็นอารมณ์เหมือนกันอาจารย์ครับมีศิษย์คนหนึ่งถามว่าพระอาจารย์เคยไปทุดดงไหมครับ ก็ไปครั้งเดียวแต่ไม่ได้เป็นชุดมงแบบมากมากกกยการทำงาเพียงแใดเคยลาออกมาจากวัดเพื่อไปเยี่ยมบ้านแล้วขาดกลับก็เลยไปหาที่วิเว้ยอยู่ที่หนึ่งได้ยินข่าวว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างใจเย็ยนสบายในช่วงหน้าร้อนพื้นที่เขื่นเื้นจุฬาพร อ, อยู่ที่รศจุมเพลอยู่ี่อำเอจุมแพลแล้วก็มีมีที่ให้พักไปมีสร้างบุติให้พักไปอยู่ ไปก้าเป็นสำนักสงฆ์นี้ก็ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์นั้นเท่านั้นเองแต่ไม่เคยเดินทุกข์เอาแบกกดแบกบาเข้าไปอยู่ในป่าเลยไม่เคยเพราะว่าที่วัดวัดปา่าวัดตากก็เป็นป่าอยู่แล้วมีเวกสมงบพอที่จะสามารถปฏิบัติธรรมได้เราก็เลยไม่ได้ต้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไปทุดงพ <c oughs> ระอาจาไปอยู่นามไหมครับตอนนั้นที่ที่วัดทั้งหลายเป็นพระมังกัน ที่เกิดยุราพรนสุส ก, กียูได้ประมาณาทั้งสองอาทิพอดีปีนั้นปีนั้นพอดีเป็นช่วงที่มีข่าวที่เครื่บินตกที่ภูบาอาจารย์ท่านห้าลูกเสียชีวิตพอดีได้ยินข่าวอะไรที่ว่าเราควรจะกลับไปที่วัดจกิกาเพือจะต้องงานมีการะจะต้องช่วยเหลือกันก็เลยไม่ได้อยู่นานในอย่างก็เป็นข้า้งแรกที่ออกจากวันมาแล้วรู้สึกคิดถึงวัดมากกว่าคิดถึงภูบาอาจารย์มากกว่า อยู่แบบไม่มีโครบาอาจารย์เสียก็มันเหงาไม่มีวัตถุชา่นก็อยู่ครูบาอาจารย์ครับกรรมวัดดีกว่าคุณพงศกรครับเราจะไปวิธีคลายกังวลยังไงบ้างครับเป็นคนคิดเยอะคิดกังวลครับก็ต้องยอมรับคิดตามความเปนจริงว่าโลกนี้ไม่มีแะไแน่นอนอะไรก็เกิดข wow. ึ้นได้แล้วเราก็ห้ามมันให้ไม่ให้เกิดไม่ได้ แล้วก็ร้องเพลงเคเซลาเซลาเท่นั้นเองคุณได้ยินเพลงนี้ไหมเคเซาเซลาอะไรจะเกิดก็เกิดเนี่ย <S <S อนาคตเป็นสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้อะไรจะเกิดก็เกิดเนีาา่ยทาองคเนี้ยในเพลงแปลเป็นภาษาไทยเคเซลาเซลาอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะว่าอน า, าคตเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็จะหากังวัน อาจารย์เคยมีครั้งหนึ่งที่มีเรื่องกังวลแล้วอยู่ๆคานี้ก็ปรากฏครับอะไรจะเกิดมาเกิดแล้วก็โล่งเลยปรากฏแล้วก็โล่งยยอมรับความจริงครับธรรมยุตตังชาติเขาก็มีธรรมะเหมือนกันนะครับเขาก็มีธรรมะเหมือนกันเขาก็เห็นความจริงเหมือนกันเห็นสัจจะเห็นอนิจจังความไม่แน่นอนของชีวิตแต่เขาไม่เห็นอนัสตาครับในวันนี้จเห็นสองเห็นเห็นอนิจจังจะเห็นทุกขครับ จะไม่เห็นนันตาแตาเห็นนันตาเขาก็จะเขาก็จะแก้ปัญหาได้คือต้องปล่อยวางขอบคุณคับคุณมาธิสาครับการทำสมาธิจะเป็นมูเหตุทําทำให้เกิดความสำเร็จสมหวังในคำอธิษฐานจริงไหมครับมันไม่แบาถ้าคำอธิษฐานมีการขออะแบบสมาธิระดับไหนก็ทำให้มันสำเร็จไม่ได้ สมาธินี้มันมีไว้สําหรับสนับสนุนการเจริญทางปัญญาให้เราละโรคความรมูความโกรธความหลงได้เท่านั้นเองถ้าเราเห็นใจแล้วแล้วเราเป็นสมาธิเราก็จะปล่อยวางได้คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับวัดที่บ้านอัญเชิญรูปปั้นทาวเวสุวรรณมาทําพิธีใหญ่โตเราเป็นศรัทธารู้สึกอึดอัดแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรในฐานะพุทธศาสนิกชนเราควรวางตัวอย่างไรเจ้าค่ะ ก็อยากไปนี่ก็ไม่ต้องไปกันนะช่วงนี้นก็ทําพิธีกรรมละไแล้วก็อยากไปเอลาเวลาที่เขไม่มีมีพิธีกรรมเราค่อย ไ, ไปกันได้คุณกรอนครับเวลานั่งสมาธิสักพัก ร, รู้สึกตัวยืดขึ้นแล้ว<ม>เหมือนในหัวเราวาบสว่างนี่คือการได้สมาธิแล้วหรือยังเจ้าคะสักพักก็หายไปเป็นอย่างนี้นั่งต่อบ้างก็เป็นอีกครับ ยางวอาต้องตองนิ่งสงบแล้วเราว่ า, าไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้แล้วปรากฏความสุขที่ไม่เคยพบมา ก, ก่อนให้ความสุขที่ราสัาญใจนี <c oughs> ่ เ, เรียกว่าเป็นสมาธิคุณพินพัฒครับลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัด ร, รักษาศีลแปปฏิบัติธรรมเป็นเวลาเจ็ดวันได้อุทิศบุญให้แก่บิดาท่านจะได้รับผลไหมครับ คือผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้บางทียังไม่เกิดเนี่ยสมาธิจิตยังไม่รวมมันก็ยังไม่ยังไม่เกิดผลขึ้นมาอย่งเราจะไม่ไพึงจะโยนทิศบุญด้วยการใช้การปฏิบัติเป็นเป็นวิธีโยทิศบุญอะไรโยุทิศบุญเราจะไปทําทานกันจะมากกว่าทําบุญทาทานโดยจากเงินซื้อข้าวซื้อของใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยบุญเกิดขึ้นทันที คือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากนั้นได้ทำบุญในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถ้าจิตยังไม่รวมเป็นับปณสนาที่นี้มันยังบุยังไม่เกิดคุณปุ๊เป้ครับพระอาจารย์ความรู้สึกไม่เพียงคิดว่าโลกมายาพอๆกับจิตที่ปรุงแต่งแต่อยากหาวิธีทําอย่างไรจะเลื่อนชั้นได้เจ้าคะถ้าใช้ปฏิบัติขออยากเลื่อนชั้นปฏิบัติเหมือนอยากจบปริญญาเลยเจ้าคะ่ะคิดอยากแบบนี้ได้ไหมคะ อยากได้แต่มันจะไปได้ไม่ได้เนกัอีกเรื่องนึงอยู่ที่การปฏิบัติของเราอยากจะเรียนบริญญาโทแต่ถ้ า, ายังไม่จบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนให้จบขั้นของเราไปก่อนแล้วมันมีขั้นตอนที่เราจะต้องปฏิบัติเช่นเราต้องทําทานก่อนเราต้องรักษาสี่ห้าสิบแปดไปก่อนแล้วเราก็ต้องไปปีกวิเวทไปฝึกสมาธิมันต้องเลื่อนไปเป็นขั้นๆตามขั้นตอนของการปฏิบัติของเรา ไไมม่้เปป็นตาควาาามออยกขงเรคุณต้าครับเรียนถามว่าที่บ้านมีแมวจรมาคลอดลูกที่บ้านเราไม่ต้องการเลี้ยงไม่ให้อาหารแต่ไม่กล้าเอาไปปล่อยแบบนี้เราทําบาปไหมคะก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ใช่แล้วมันก็ไม่บาปนะถ้าไม่ได้ไปทำร้ายเขาคุณมีนาครับ ตอนนี้ลาออกจากงานมาช่วยดูแลคุณแม่ที่อายุมากป่วยเป็นสมองเสื่อมตั้งใจอยากดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่บางครั้งก็รู้สึกเหงาจิตตกเพราะไม่มีสังคมและมันนึกว่าตอนเราแก่คงไม่มีใครช่วยเหลือดูเลดูแลแบบนี้แน่ๆเพราะไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในวังการวางใจคะ่ะขอให้เรา <c oughs> ยึดหลักอัตตาอิสตโ น, นนาเถอะ ด, ดีกว่ามันเป็นที่พึ่งของตอนอย่าไปหวังพึ่งคนอื่น ัการที่เราจะพึ่งตวเองได้ก็คือถ้าเราทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมเพราะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราจะมีธรรมที่จะเป็นพลังให้เราสามารถดูแลตัวของเราเองได้วนะถ้าเราถึงขั้นที่ว่าเมื่อเราไม่สามารถดูแลตัวเราเองได้แนละ้วเราก็พร้อมที่จะปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามตามเรื่องของมันได้ถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปไม่ต้องกลัว เอาแบบนี้ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไปหวังแล้วก็อาจจะผิดหวังหวังจะให้เขาดูแลเราแต่พอถึงเวลาจริ ง, รงๆเขาอาจจะไม่ดูแลเราก็ได้เพราะฉะนั้นเอาอัตตาเฮอัตโนนาโถนีถดด่ก่าตอนเป็นที่เพื่อนตนวิธีที่จะทําให้เราเป็นดีเพ่อนของเราได้ก็คือที่การปฏิบัติธรรมของเรานี่แหลยิ่งเราไปทำมากยิ่งเท่าไหร่มากมีทำมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีกาลังที่จะดูแลตัวเราเองได้มากขึ้นไป คุณปิยวัฒน์ครับการเป็นถามครับความสงบต้องทําให้ถึงขั้นเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับถึงจะพิจารณาธรรมได้ถูกต้องครับ <c oughs> ถูกต้องเราควรที่จะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อเวลาเราออกมาพิจรารณารรมบางครั้งมันอาจะพิจรารณาโดยเถิดไปจนเกิดความรุ่งสร้างขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าถ้าเราไม่มีการทับสมาธิ ได้เวลาจิตฟุ้งศ่านก็อาจจะหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าสมาธิได้โดยอัตโนมัติพอเราเห็นว่าจิตเราเริ่มฟุ้งซ่านะเราก็หยุดพิจารณาแล้วก็ไปพักจิตก่อนคุณประชาครับผู้ที่กล่าวตนว่านับถือศาสนาพุทธแต่กระทำแค่ทาบุญตามการจะพอไหมครับหรือควรมีการกระทำขั้นต่ำอะไรบ้างครับ <c oughs> ขั้นต่ำก็ต้อง <c oughs> ทำมุนทำทานเป็นปกตินิสัยถ้ามีพระผ่านมาทำบ้านหรืออะไรก็ทำบุญสา้สานใส่สาบาททุกวันรักษาศีลตลอดเวลาศีนห้าตลอดเวล า, ล เ, วลาเป็นนิจศีลแล้วก็ภาวนาเช้าเย็นอะทำาบบนี้วันพระก็ไปวัดไปอยู่วัดไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาที่วัดอย่างนีง้เขาเรียกว่าเป็นเป็นพูดที่แท้จริง <c oughs> พุทธิสมบูรณ์ <c oughs> คุณสมพรครับทําบุญกับพระภิกษุอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นการทําสักทานครับการใส่บาดพระถือเป็นสักทานใช่ไหมครับ <c oughs> การการใส่บาดพระนี้โดยปกติกขาจะก็จะเป็นเป็นบุคคลิกทานคือเฉพาะบุคคน <c oughs> ถ้าเป็นวัดในเมืองนะในวัดในเมืองนี้พระที่ท่านเป็นบาตอาหได้มาท่านก็จะกลับไปชั้น ชั้นที่กุฏิท่านองอันจะไม่ไปแบ่งกับพระลูกแต่ถ้าเป็นวัดป่าเนี่ยอันทุกอย่างที่ได้มานี่จะเอาไปรวมกันที่ศาลาแล้วไปไปแบ่งกันที่สาลายัยครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสังฆทานถ้าถ้าใส่บายกับพระวัดป่านี่จะเท่าันได้ทําเป็นสังฆทานแต่ถ้าทําใส่บายกับพระเมืองนี่จะถือว่าเป็นการถัดบกฤหักถานตัวใครตัวมันของไครของมันเพราะว่าในเมืองนี้ก็จะไม่รวมลงศาลากัน ธรรมดาจะลงเฉพะวัดพระเพื่อมาทําภารกิจของวัดพระเท่านั้นเองในวันธรรมดาท่านก็จะบินนาบาัดแล้วก็กลับกุติของใครของวันไปเวลาบินณาบัดก็ไม่ได้ไปไปพร้อมกันสายไก่สายมันจะเลือกเดินแบบไหนที่ไหนก็ได้ตามอัธยาศัยย่อเวลาไหนก็ได้จะกลับเวลาไหนก็ได้อบบนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคกลิคฐาน <c oughs> คุณหมูบีครับมีคําถามอยากพระอาจารย์ชี้แนะครับปัจจุบันทํางานมีความวุ่นวายบ่อยครั้งที่มีทุกสติไม่อยู่กับตัวค่ะก็นั้นแหละก็ไม่ฝึกสติพยายามฝึกสติเริ mm ่ม hmm. ต้นตอนเช้าก่อนที่จะไปทํางานตอนที่เราเตรียมตัวจะไปทํางานพอตื่นนิ่มตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไว้เลยฝึกสติไปก่อนแล้วเวลาที่เราอาบน้ำล้าหน้าแปรงฟั น, น, นแตกงหน้าแต่งตัว รับประทานอาหารหรือกระทั่งเวลาเดินทางไปถ้าเราไม่ได้ขับรถไปเองเรานั่งรถไปแล้วเราไปะจะนั่งสติพูดโธพูดโธไปคอยระงับความคิดผูกติดไว้เรื่อยๆอย่างนี้พอไปถึงที่ทํา ง, งานเราก็จะมีสติที่จะสามารถที่จะควบคุมใจของเราไม่ให้วุ่นวายได้คุณปัทถวีครับขอากาศครับถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเดียวจะสามารถเข้าบรรลุธรรมได้ไหมครับ ได้แต่สติปัฏฐานสีนี่มันมีหลายขั้นตอนด้วยกันนะคือไม่ได้ทําทีเดียวพอกันหมดขั้นตอนแรกก็ให้เจริญสติคือกายา ก, กตาสติให้เราจดจอ่อเอาผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำต่างๆของร่างกายเมื่ให้ใจไปคิดเลื่อยเปื่อแล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกไม่ว่าอาณาปณะสติ โดยปราศจากเราจะรวมเป็นสมาธิแล้วเราสามารถเข้าออกสมาธิได้โดยอัตโนมัติมีความชํานาญในสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายเที่ยงไม่เที่ยงเ ป, เ, ป เ, เป็นเป็นตัวเราหรือเปล่าเวลาเราไปยึดไปติดมันทำให้เราทุกข์หรือไม่ทุกข์น่เป็นต้นต้องศึกษาธรรมชาติของร่างกายเพื่อให้เราปล่อยวางเพื่อให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายได้ แล้วเราก็ไปศึกษาธรรมชาติของเวทนาความรู้สึกแล้วก็ไปศึกษาธรรมชาติของธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาเพื่อปล่อยวางให้มันทั้งหมดปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาแล้วปล่อยวางธรรมอารมณที่มีอยู่ในจิตให้หมดไปเราก็จะบรรลุธรรมได้ทําคัดต่างๆได้คุณเปียวุตรครับ การพิจารณาธรรมขันห้าควรพิจารณาข้อไหนก่อนครับก็นี่แหละก็ร่างกายก่อนเนี่ยรูปประคันก่อนพิจารณาร่างกายว่ามันของที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันไม่เช็นตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตาย พิจารณาร่างกายควบคู่ไปกับเวทนาเพราะเวทนาก็คือความเจ็บป่วยเด็กผ่ายได้ป่วยนี้ก็คือทุกขเวทนาก็พิจารณาว่ามันก็เป็นของที่เราห้ามมันไม่ได้เวลาทุกขเวทนาจะเกิดในร่างกายถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะทุกขทาใจถ้าเราไม่อยากจะทุกขทาใจเราก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปในช่วงที่มันยังไม่หายมันเจ็บก็ต้องทนอยู่กับมันไปให้ได้ เราก็จะไปทุกข์กับมันพอเราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้เราก็ ไ, ไปพนะิจารณาธรรอารมณ์ที่เกิดจากสังข า, ารความคิดปูกแต่งกับสัญญามันก็จะปรุงแต่งให้ใจเรามีอารมณ์ต่างๆอารมณ์เศร้าหมองบ้างอารมณ์สดชื่นแบบบานบ้างอารมณ์โกรธอารมณ์เปลี่ยนบ้างอะไรนี่นก็เกิดจากการปรุงแต่งของสังขารฐานนี้กับสัญญากัน คุประชาะครับคนที่กระทาอะไรไปแล้วค่อยมาหาเหตุผลอธิบายสิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะถ้าทําตามมักแปควรจะเริ่มจากมีความเห็นความคิดการสนทนาการกระทำอะไรอื่นคือคิดก่อนก็ให้ทำครับถ้าทําได้อย่างนั้นก็ดีเลยแต่บางทีมันคนเรายังคิดคิดก่อนไม่เป็นทำก่อนแล้วค่อยมาคิดอก็ยังดีคิดแล้วก็มาแก้ไขพาคราวหน้าเราก็อย่าทําแบบนี้ถ้าคิดโดยวิธีถูกว่าอ เราไม่กลัวไปทําสิ่งนี้สิ่งนี้ทำแล้วทําให้เกิดความเสียหายคราวหน้าถ้าเราจะทำอย่างนี้อีกเราก็จะได้หยุดยั้งการกระทําเหล่านี้ได้ถ้าเราไม่คิดเลยคราวหน้าเราก็อาจจะทำซ้ำๆคุณแพตครับหากเราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทําอะไรแต่ไม่สามารถทําได้ถือว่าเป็นบาปติดตัวไหมครับไม่เป็นบาปติดตัวหรอกมเป็นความโน้มเหลียว ของการกระทำของเราว่าเราไม่ทไม่สามารถทำรายงาบที่เราตั้งใจทำได้ <c oughs> <c oughs> คุณพีพันพินครับหนูมีลูกสามคนอายุสิบเอ็ดสิบามสิบห้าพยายามทำหน้าที่แม่ให้ดีคิดว่าตอนนี้การที่เด็กดูแต่จอติดจอนั้นสร้างปัญหามากๆทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตหนูพยายามให้เขาเล่นเป็นเวลามาตั้งแต่เล็กๆ ก็ด okay? ีคนจะกำหนดเวลาไว้ให้มันเหมาะสมคือเราก็ฝ right. ืนทํามันฝืนฝืนสังคมไม่ได้โลกสมัยนี like ้ก็ทํานักเยอะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมเราบังคับเขาได้หรือไม่บางีเขาก็จะฝืนเราก็ได้เราก็้มามันเป็นกรรมของเด็กนี้เราค่ะ เพราะพิมพ์ค่ะอาจารย์อาจารย์คนนี้เขาพิมพ์ต่อบอกว่าตอนนี้เขาบอกเขาโตแล้วจะจํากัดเวลาก็ทะเลาะกันทุกทีหนูวางใจให้สงไปล่อวางยากมากเลยค่ะพอตามองเห็นลูกเล่นตลอดก็อดคิดไม่ได้ว่าเราทําถูกแล้วใช่หรือไม่ที่ควรจะทํำยังไงดีครับก็เราทําหน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราก็คือสอนก็าแล้วบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ทําตามเราเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจเกว่ามีมาตรการ ก็คือตัดเงินเดือนเขาอยู่สิเขาไม่ทำเงินมากนักค่าขนมลงไปคุณนัทถาครับไม่ชอบการไปทำบุญแบบมีพิธีการคนเยอะๆเช่นกระถิ่นพระป่าเพราะรู้สึกวาวุ่นวายไม่สงบแต่ฝากเงินทำบุญจะได้บุญเหมือนไปเองไหมครับได้ได้บุเกินใช่ คุณมาริสาครับการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เราได้อัตภาพอย่างเดียวจะเป็นไปไม่ได้ว่าจะได้อัตภาพอย่างอื่นอีกเช่นมีองค์ลงประทับหรือเป็นตัวแทนของเทพใช่ไหมเจ้าขาพ า, าจารย์อ๋อไม่มีเราเป็นอะไรของเราตามฐานะของเราแต่ใจของเราถึงแม้ร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำยนี้นี่มัก็กลายเป็นเทพขึ้นมาได้นันทั้งที่เรายัางไม่ตาย ในทางต่อเนื่ข้ามถ้าเราทำบาปจะเยอะเราก็เราก็กลายจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เนรชาญก็ได้ทั้งที่รอตอนนี้ร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์จิตใจของเราได้เสื่อมลงไปเป็นเป็นเนรชาญแล้วก็ได้เพราะการจะทำบาของเราเีอะไรนานอ๋อไม่รู้ไปหาอะไรครับพระอาจารย์เป็นอะไรไปนะคุณสมพรครับ การทำจิตใจให้มีสมาภาวนาและวิปัสสนากรรมฐานทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เสมือนจิตใจจะบันทึกไว้ในหลุมโหมดการทำสมาธิโยมคิดอย่างนี้ถูกทิศถูกทางหรือยังครับเสมือนจิตของโยมพอเข้าปรรษาจิตใจก็ปล่อยเข้าสมุดเข้าปัรษาไปด้วยแต่บอกเป็นภาษาปฏิบัติไม่ถูกแต่สามารถบอกสภาพความรู้สึกของจิตใจตัวเองได้ถือเป็นการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าปัรษาถูกทิศถูกทางหรือยังครับ <c oughs> คือจะว่าถูกที่ถูกทางหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราทําอะไรถ้าเราทําทางรักษาศีลภาวนาแล้วก็ไปถูกที่ถูกทางส่วนมันจะเป็นโหมดอะไรนนไม่ต้องไปกังวลกับมันอยู่ที่การกระทําของเราให้มองที่การกระทำของเราว่าเราจะิล่มรรคอยู่หรือเปล่าแค่นี้ถ้าเราจเจริญมรรคเราก็จะอยู่เราก็ไปในทิศทางที่ถูกถ้าเราไม่จเจริญมรรคเราก็ไปไม่ถูก อ น, นีีี้ลตรงดคุณนภิสราครับกับขอการเรียนถามพอาจารย์เรื่องจิตเจ้าค่ะจิตเราเมื่อดับจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อไปเกิดใหม่คือจิตดวงเดิมหรือเป็นดวงจิตดวงใหม่เจ้าคะจิตไม่ดับที่ดับก็คือร่างกายจิตก็เหมือนเดิมจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่เหมือนเดิมไม่มีวันดับเป็นดวงเดิมที่ไปเกิดใหม่นส่วนที่เป็นตัวใหม่ก็คือร่างกาย แต่จิตก็คือตัวเราเคยชอบอะไรก็ชอบเหมือนเดิมเคยเกลีอะไรก็เกลียดเมือคยมีความสามารถทําอะไรได้ก็จะทําเหมือนเดิบางคนทังเก่งทางด้านใดด้านหนึ่งบางคนเก่งทางด้านดนตรีเก่งทางการวาดเขียนเพราะนี่แหละคือของที่มากับจิตติดตไปกับจิตนร่างกายเป็นเพียงแต่เครื่องมือเท่านั้องอาจารย์ผมนอญาตย้ายที่ให้เขาไม่เห็นผ ม, มนิดนึนคดนงครับอาจารย์ดึงเข้า มันหลบจุดนี้เ่รครับให้เขามองไม่เห็นเยคุณเสรีครับเวลาคุยกับเพื่อนในเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วหลังจากแยกจากกันแล้วใจเราเอามาทวนคิดซ้ำๆอยู่ไม่หยุดคิดทำอย่างไรต่อครับใช้พุทโธต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อย คุณภับูรณ์ครับการกําจัดมแมลงรบกวนในบ้านโดยตั้งใจเช่นปลวกมแมลงสาบอื่นๆเป็นบาปมากน้อยอย่างไรครับก็ก็เป็นบาปนฆ่ามแมลงก็บาปยามากหรือน้อยก็อยู่ที่อสิ่งนี้ถูกกล่าวว่ามีคนมากและคนน้อยถ้ามีคนน้อยก็บาปน้อยถ้ามีคนมากก็บาปมากเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฆ่าปินามารดานนี่บาปมากกว่าฆ่าคนอื่น คนหนึ่งเขาไม่มีบุญคนกับเราเท่ากับบุญฆาบปีนาบันดาสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นบาปมากก็คือหนึ่งการฆ่าบิดาสองการฆ่าบัรดาสามการฆ่าผ้าอรหันสี่การทําให้พระทเจ้าห้อเลือนดนะทําให้สงเกิดความแตกแยกอันนี้ถือว่าเป็นบาปย่างที่สุดในพระพุทธศาสนาคุณธนวันครับถ้าต้องการเตรียมใจไม่ให้ทุกข์ จากการพัดภาคจากกันกับลูกต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะถ้าสมมติอยู่ในนี้ว่าตอนนี้ลูกเราตายไปแล้วต้องสมมติภาพถึงขึ้นมาคิดว่าตอนนี้ลูกเราตายไปแล้วเราจะทํำยังไงคุณท่านหนุ่มครับเวลานั่งสมาธิมีเรื่องคิดเข้ามาในหัวตลอดเลยทํายังไงถึงจะให้จิตนิ่งครับก็ขาดสติไงต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมือนไปก็ได้ เราไปให้ใจคิดคุณเจียมจิตครับบทสวดอิติปิโสถ้าสวดตอนนั่งยวดยานพาหนะเราสามารถทำได้ไหมคะต้องเลือกเวลาใหมคะถ้าเราสวดภ า, ายนนใจนี่สวดได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าสวดออกเสียงนี่มันอาจจะไม่เหมาะสมบางคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าไม่ไม่ควรจะมานั่งสวดในสถานที่แบบนี้ ถ้าเราสวดไปในใจเือเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมนี่เราสามารถทําได้ทุกแห่งทุกคนแต่ถ้าเราสวดแบบเป็นการทําพธิธีไหว้พระสวดนต์ี่เรามักจะให้เราต้องไปนั่งที่หน้าพุทธรูปแล้วค่อยเสวนคุณปุ้ยครับเข้าปัญสารนี้จะเร่งความเพียรแบบที่คารวะจะทําได้ค่ะวันนี้ขอโอกาสสอบถามเรื่องการสร้างบารมีค่ะ ผู้ที่ไม่ปรารถนาพุทธภูมิต้องสร้างบารมีใหม่ค้าหรือมันปฏิบัติให้หลุดพ้นก็เพียงพอครับก็การปฏิบัตินี้ก็เกิดเป็นการสร้างบารมีนะการทํามุนดำตาๆก็สร้างทางบารมีการรักษาศีลก็สร้างศีลบารมีการนั่งสมาธิก็เป็นการสร้างเวม่้าบารมีการทําเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาบารมีก็เป็นการสร้างบารมีเทางการปฏิบัติทำ คุณแอมบี้ครับเ<ม>พราะสดาบันจะมีจิตตั้งมั่นตลอดเวลาไหมคะและภาวนาไปบางครั้งเห็นกายไม่ใช่เราเห็นตัวหายใจได้เองรู้สึกตกใจรู้สึกว่ามันทุกข์มากไม่ทราบว่าแบบนี้ภาวนามาถูกทางไหมคะส่วนมากฝึกการเจริญสติในชีวิตในระหว่างวันมีวิหารธรรมคือลมหายใจแต่หนูไม่ค่อยได้นั่งสมาธิค่ะพอาจารย์ก็ไม่ถูกัท่านไม่นั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิแค่มากมาก ตอนที่จะไปทางปัญญาเพราะถ้าให้มีสมาธิการไปทางปัญญานี้มันจะไปแบบความคิดปูแตกของพวกเาเองไม่อาจจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริงก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปทางปัญญาถ้าเรายังไม่ได้สมาธิควรจะฝึกสมาธิให้มากมา ก, ก่อนให้จิตมีหลักให้มีที่ทพึ่งก่อนมีความสงบเป็นที่พึ่งก่อนแล้วเราค่อยไปออกทางปัญญาเกิดเวลาที่ใจออกทุกข์เราจะได้อาศัยสมาธิกับ กลับมาหสมาธิเพื่อให้ใจหายทุกได้คุณสกวันนีครับการปลุกเสกพระเป็นเรื่องผิดไหมครับไม่ทราบมันผิดผิดตรงไหนมันผิดหรือถูกอันนี้มันไม่มไม่ทราบไม่ทราบอว่าจะต่อไงไงก็มีการปลุกเสกอ ย, ย, ยู่ในพระธรรมจะถามว่าผิดความเป็นจริงไหมถ้าปลุกเสกเพื่องานในการปลุกพระพุทธรูปให้เป็นให้ตื่นขึ้นมาก็ ตองผิดแน่แน่เพราะปลูกอย่างไรก็ไม่ตื่นเพราะพุทธรูปนั้นเป็นเพียงเป็นโลหะเป็นวัตถุการะไปปูกพระพุทธรูปนี่ไปปลูกว่าก็ตุ๊กตาเนี่ยอยู่ดีๆไปปลูกให้ตุ๊กตาตื่นเนี่มันเป็นคนนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้คุณพัฒนันครับทุกวันนี้ได้ฝึกหนั่งสมาธิได้ท่องพุทโธแต่จิตหนูไม่นิ่งเลยเปลี่ยนเป็นท่องอิติปิโสรู้สึกนิ่งสงบแต่ได้แค่สิบนาที จะพยายามต่อไปค่ะก็พยายามชวด้บ้างมากก่อนชวนสักครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้ยิง่งชวนมากเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้สติมากขึ้นไปคุณพิติมาครับการที่หนูไม่ได้ยินดีในการขวนขวายหาราบยศสรนเสริญเป็นการที่หนูไม่แสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือไม่คะหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูมีความสุขกับทุกทุกวันแล้วครับก <c oughs> ็แสดงว่าเรามีความพอใจในตัวเราเอง เราเป็นความสุขใตัวเราเราก็เลยไม่ต้องไปโวนก้อยหาความสุขจากสิ่งภายนอกอุจใจของเราเปความสงบมากขึ้นยิ่งมีความสงบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่หิวไม่หยกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นลาเยศ ะ, ะเสสริญคุณนาโอมิครับหากเราสวดมนต์และแผ่เมตตากรวดน้ำแห้งก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิหลังปิดท้ายแล้วนอนเลยแบบนี้เปรตเจ้ากรรมในเวรจะได้บุญไหมครับ ไม่ได้หรอกเพราะว่าการสวดมนต์ของเรามันยังยังไม่เกิดบุญขึ้นมายังไม่เกิดผลจิตยังไม่สมงบเป็นสมาธินั่นสิ่งที่เราทํานี่ก็ทําไปเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่อวเป็นจริงแล้วยังไม่ได้มีอะไรเลยบุญก็ไม่มีแผ่ไม่มีโกรธไม่มีไม่มีโกรธให้แล้วก็เมตตาก็ต้องการแผ่เมตตานั่อต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันไม่ใช่แผ่คนเดียวนั่งคนเดียวแล้วก็แผ่ การแผเมตตาก็คือบอกสมาพกให้มีเมตตากับบุคคลและสัตว์ที่เราพบปะกันเช่นเจอใครคนจะยิ้มให้เขาไม่คนจะหน้าบึ้งใส่เขาคุณขบันทิพย์ครับห่วงบุตรหลานว่าจะหางธรรมะและหลงผิดไม่รู้จะทําอย่างไรหรือต้องทําให้เขาหรือต้องให้เขาหาทางเองครับถ้าเขายังอยู่ภายใต้การดูแลของเราเราก็พาเขาเ ข, าข้าวัดบ่อย เราเขาเข้าวัดพาให้เขาอยู่ใกล้ธรรมะแต่ถ้าเขาโตแล้วเราไม่สามารถช่วยเขาได้เ็กเขาได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของเขาไปเราทำอะไรไม่ได้ละสายไปเสแล้วคุณพุธิพง์ครับขอโอกาสครับบริจาคเลือดได้บุญเหมือนกับทำโรงทานไหมครับได้เป็นทานจะนิดหนึ่งเปนวัตถุทาน <c oughs> คุณเฮียเริงครับจำเป็นไหมครับว่าการนั่งสมาธิต้องนั่งขวาทับซ้ายเวลานั่งไปสักสิ2ห้าถึงยี่สิบขาจะช า, ชาตลอดเลือดไม่เดินและเจ็บมากจนทำให้ต้องออกจากสมาธิเป็นแบบนี้ตลอดผ่านไปไม่ได้สักทีมีวิธีแก้ไหมครับคือมันก็ต้องโทษเราถ้าเราอยาจะนั่งนั่งให้ถูกหลักวิธีก็ต้องนั่งขวาทับซ้ายหม่มมันก็จะรู้สึกชารู้์จเี่ย้าง เ, เป็นธรรมชา แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติดีๆจิตเราสงบได้เร็วอาการเจ็บปวดของทางร่างกายก็จะไม่ค่อยมารบ ก, กวนใจเราเพราะท่านนั่งสมาธิแบบนี้เป็นท่าที่ค ร, ครูบาอาจารย์และพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติกันมาฉันว่าเป็นท่าหน้าที่ดีที่สุดที่จะนั่งได้เป็นเวลายาวนานต่อไปคุณเจริญครับ ทั้งที่รู้ว่าความเครียดความกังวลใจนั้นไม่ดีพยายามพุดโททุกเวลาแล้วแต่ก็ได้แป๊บเดียวต้องทำอย่างไรให้ใคลายกังวล จ, จิตใจชอบคิดไปเองครับก็อย่าหยุดพุดโทเลยถ้าหยุดพุดโธก็เหมือนหยุดบรงไม่หยุดยาที่เรากินพอหยุดยาปั๊บอาการไม่ปกติของร่างกายมันก็จะกำเริบขึ้นมาพุดโทก็เป็นเหมือนยาที่จะป้องกันความไม่ปกติของใจ เราพาถ้ามันยังไม่ปกติเราก็ต้องพยายา ม, ยมพูดถอยอย่าหยุดใชัว่วคราวมันจะเป็นปกติคุณรัชดาครับพระอาจารย์โยมไปวัดแห่งหนึ่งขณะนั่งไหว้พระมีความรู้สึกมีพลังบางอย่างมาอยู่ในร่างกายมีอาการร้อนๆ อ, อุ่นๆในอกมันคืออะไรคะก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหะไม่ทราบมันจะว่ายอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วกันแล้วพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไป มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราก็คุมบังคับไม่ได้ไม่เชนั้นเราจะไปยืดไปติดคาหน้าเราจะไปนั่งแล้วหวังอยากจะได้อย่างนั้นอีกมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมาก็ได้คุณจะครับบุญและบาปคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นผลของการกระทำใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคนที่มีอาชีพที่ต้องฆ่ า, าสตัตว์ไม่ได้รู้สึกผิดในใจเพราะคิดว่าจะเลี้ยงตน ก็จะบาปในแง่การกระทําแต่ไม่มีบาปที่เกิดในใจอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะคือผลของกรรมจากการฆ่าสัตว์ยังมีอยู่เพียงแต่ใจของเขาไม่ทุกข์กับการผิดศีลนั้นใช่ไหมครับ <c oughs> ที่เขาไม่ทูกเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นบาปนั่นเองเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเลี้ยงชีพตัวเขาเองก็เป็ น, นลักษณะของความที่ฉงสัารในราชาเ น, นี่ยเองเมื่อเขาคิดแบบสัตว์ในราชาเวลาตายไปเขาก็จะเกิดเป็นสัตย์ในราชา คุณพีระครับถ้าไมสมัยพุทธกาลประวัติพระสาวกบางองค์แค่ฟังพระพุทธเจ้าไม่กี่คาบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วครับเพราะจิตของท่านมีสมาธิแล้วมีศีลแล้วท่านสิน่งที่ท่านขายก็คือปัญญาพระพุทธเจ้าแสดงปัญญาให้เขาพอเขาเข้าใจปั๊บขเขาก็บรรลุธรรมได้เลยอยุคลรกๆนี้พระพุทธเจ้าจะมุ่งไปสอนคนที่มีศีลมีสมาดที่ก่อนพวกนักบวชทั้งหลายคุครับ ถ้านคนแรกก็คือพระปิจาวาคีมีศีลมีสมาธิแล้วแสดงทำคทั้งแรกก็หนึ่งในห้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแสดงอีกครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็บรรลุเป็นพระอนันทมลได้ครัวันนี้เพื่อนได้อ่านครบเลยครับพอาจารย์อานันตลักษณะสูตรธรรมจักรแล้วก็อทิเตยยะสูตรปริยยสูตรเนี่ยพอใครฟังสูตรอันนี้ปั๊มีศีลมีสมาธิแล้วก็บรรลุได้ คนสมศรีครับถ้าลูกๆมีภารกิจมากมายแล้วพาพ่อหรือแม่ไปฝากสู่ดูแลผู้สูงวัยจะบาปไหมครับถ้าเราดูแลท่านให้ท่า น, านยูอยู่ดูแลยังมีคนอื่นดูแลแทนเราก็ไม่บาปกๆๆ็ยังเป็นเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะดูแลด้วยตัวของเราเองได้แต่เราก็ยังสามารถจ้างคนอื่นมาดูแลให้ของเราได้ก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ไม่เป็นบาปคุณวินครับ นั่งสมาธิดูลมรู้ถึงมือเบาจนไม่มีความรู้สึกที่มือผ่านไประยะหนึ่งรู้สึกที่หลังว่าหนักและห้อมจนทนแทบไม่ไหวบางครั้งต้องยืดตัวนิดๆแล้วนั่งต่อได้อีกสักพักแต่บางครั้งหลุดลืมตาขอความไม่ตาพระจารย์แนะนาครับก็ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละสติเรายังไม่แข็งพอให้อยู่กับลาภาวนามั่นคอย่างตลอดพอมีอาการทางล่างกายขึ้นมาบางทีเรวก็อดไม่ได้ที่จะไปขยับ ก็พยายามทําไปเรื่อยๆเป้าหมายก็คืออย่าไปสนใจกับอาการของร่างกายมันจะเจ็บจะกกร้อนนจะเป็นยังไงก็ช่า ง, งมันให้เรามีสติอยู่การภาวานาไปเพื่อจะจับจุดไปได้ถ้าเรามาเพาะปลนกับร่างกายก็เท่ากับว่าเราเสียเวลาการภาวานาของเราของงกำกับง้องต้มใหม คุณเอกชัยครับเราฝึกปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ใจสงบใจเกิดปัญญาใจหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราจําเป็นต้องรู้ธรรมะแนละ้วับพระไตรปิฎกไหมครับ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนเนี่เราก็ต้องศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกแต่เราไม่จําเป็นจะต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกเราศึกษาแต่ธรรมะที่ทำให้เรารู้ทำได้ก็คือหนังสือที่ที่คันมาให้ ที่พิมพ์มาให้ญาติโยมได้อ่านเะนี่ยมีห้าพระสูตรซึ่งขั้นมาจากพระตไตรปิฎก ม, มีมุงโคนสูตรทำมาจากขั้นัตฑิสูตรอนันตละกนณตสูตรอธิตยะาริย า, ยาสูตรแล้วก็สปุลน้องสูตรเนีถ้าเ ร, ร, ราอ่านพระสูตรนี้ห้า พ, พระสูตรนี้ก็พอเพงต่อการจากความทุกข์ทั้งปวงได้ งานที่ดูเขาเจะเห็นผมครับญาติที่หน้ <c oughs> นายยนประตูครับนีาตหน้าประตูแลคุณมาริกาครับการสละทรัพย์ส่วนใหญ่จะสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือแต่ญาติพี่น้องและคนรอบข้างบริจาคบ้างแต่ทำบุญตักบาตรน้อยมากจะถือว่ายังมีกิเลสในการเลือกสละทรัพย์ไหมครับ ก็ไม่ชอบนะจ่าเดชจะมองเดี๋ยวลงเขเดี๋ยวให้เราไปไล่ไหมอาจารย์ตบตัวนี้ก็ได้ครับเขาไม่เห็นผมแล้วครับคุณเทพรักษาครับ กาบนักาการพระอาจารย์ความเชื่อจุดติจิตปฏิสนธิจิตต่างกับวิ ญ, ญญาณออกจากร่างหนึ่งไปอีกร่างอย่างไรครับอย่างไหนถูกต้องไม่เป็นสักายาทิฏฐิครับคือจุดติกับปฏิสนธิมันก็บอกอยู่แล้วจุดติก็คือเวลาที่จิตมันแยกออกจากร่างกายเนีวจุดติแลวเวลาจิตมาเชื่อมตอ่อกระร่างกายมันก็เรียกว่าปฏิสนธินก็มีเท่านั้น คุณเล็กครับอยากรักษาศีลหน้าให้ได้ครบถ้วนแต่ยังซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนถือว่าผิดสีนหรือเปล่าครับก็มันไม่ได้อยู่ในสีนหน้าในการการซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ผิดสีนเลยเป็นเป็นการถือว่าเป็นการเล่นการพนันเป็นอาบายมุกผิดอบายมุกถ้าเราถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพอย่างเงี้ยก็จะเป็นอาบายมุก ถ้าเราซื้อแบบว่าเป็นเสี่ยงโชคไม่บายสองใบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคก็มไม่ถือว่าเป็นการเสี่บวา ย, ยมุกเพราะมันไม่ได้ทําให้เราล่มจมจากการที่เราเล่นการซื้อลอตเตอรี่แถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เราทําให้เราเกิดการล่มจมได้เสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหมดไปจากการเล่นลอตเตอรี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบวายมุก คุณวอเสบครับหนูควรทําอย่างไรให้หนูมีสติเพิ่มขึ้นหรือมีสติโฟกัสกับงานที่ทําอยู่คะเพราะเท่าที่หนูสังเกตหนูพบว่ามีหลายครั้งที่หนูเคยอ่านกระดาษที่หนูเอาไว้เตือนตัวเองที่มีคําเทศที่พระอาจารย์เคยเทศแนะนําหนูเกี่ยวกับเรื่องวิธีแก้ใจสั่นในเวลาที่หนูไปเจอคนที่หนูเผลอไปชอบเขาหนูพบว่ามีหลายครั้งที่พอหนูอ่านเสร็จแล้วหนูก็พบว่าหนูเผลอไปคิดถึงคนที่หนูเผลอไปชอบ แทนที่หนูจะมีสติตระหนักถึงคำเทศของพระอาจารย์และยิ่งไปกว่า น, นั้นคือหนูไม่มีสติจับว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ทำให้เกิดปัญหาชเช่นเผลอปิดนาฬิกาจับเวลาครับ <c oughs> เราต้องฝึกสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาไงพอเราิืมตาขึ้นมาเราก็ฝึกสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายเรากาลังอยู่ในท่าไหนกาลังอยู่ในท่านอน กำลังลุกขึ้นมานั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปลงฟันมกำลังแตกเนื้อแตกตัวเราต้องคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยหรือเราอีกวิธีหนึ่งก็คือพอเราลืมตาขึ้นมาแล้วก็พุทโธพุทโธกไปไม่ว่าเราจะทําอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกี่ยวกับการกระทำของเราเราก็ใช้พุทโธพุทโธไป เราจหยุดพูดโธก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับการทํางานของเราเนอะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องคิดแล้วก็หยุดพุดโธไปต้องฝึกแบบนี้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยมันถึงจะมีสติพอที่จะทําให้เราสามารถทําอะไรให้ไม่พังไม่เผลอได้ต้องพยายามต้องทําบ่อยๆทำบ้าๆ คุณเจเฮียงครับหนูเป็นคนพิการไปเจอผู้สูงอายุ87เขาหน่าสงสารมากผู้หญิงนั่งขายผักจูงจักรยานหนูเลยให้ข้าวท่านไปหนึ่งกล่องแบบนี้ถือว่าให้ทานไม่ค้าทานแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนครับก็เป็นการทำทานเหมือนกับใส่บาตรเหมือนกันไ ด, ได้ได้บุญเท่ากันเอาอาหารกล่องนี้ไปใส่บาตรพระหรือให้กับคนยากจนแบบนี้ก็ได้บุญเท่ากันเพราะบุญมันไม้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่การให้ว่าเราให้มากหรือให้น้อย ให้เท่าไหร่ถ้าให้เท่ากันก็ได้บุญเท่ากัน <c oughs> คุณเมครับมีคนแนะนําว่าให้นับถือเทพเจ้าเพิ่มเราไปบอกเขาว่าได้แต่จริงแล้วเรานับถือแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวแบบนี้บาปไหมครับเร า, เาไปโกโหกเขาเสียใช่ไหม <c oughs> ก็บาปถ้าเราไปโกหกเขาเพราะพูดความจริงว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็พออม่จำเป็นจะต้องไปโกหกเขาเลย คุณเอกชัยครับเราจะปิดประตูไปอาบายภูมิหลังที่เราตายไปแล้วอย่างไรบ้างครับก็ต้อ ง, งรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลาหรือให้เราทำบาปน้อยกว่าทำบุญให้เราทำบุญมากกว่าทำบาปคุณนัทธวันครับขอคำแนะนำเรื่องบทสวดมนต์ก่อนนอนค่ะอิติปิโสเกินอายุชินะ บ, บันชรปาหุมาการอย่างที่ถูกต้องไหมครับได้บทไหนก็ได้สวดเพื่อให้ใจเราสงบให้เรา ความสุขากการสวดคุณเตเต้ครับเป็นภูมิแพ้หายใจทางจมูกลําบากเวลานั่งสมาธิกําหนดที่ลมหายใจที่ปลายจมูกลําบากมากเลยค่ะแต่พอลองกําหนดที่พุทโธแทนก็ไม่สงบเท่านั่งไปชั่วโมงกว่ายังไม่เข้าสมาธิเลยค่ะทําอย่างไรดีคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าสติเรามันไม่ต่อเนื่อง แล้วอาจจะพูดโธแล้วก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นๆ mm. น, น, นี้ก็ต้องพยายามฝึกสติให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราพยายามทันไปแล้ววิธีที่จะทําให้เราสติเราต่อเนื่องมากขึ้นก็คือต้องทําก่อนที่เรามานั่งสมาธิต้องฝึกสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยทั้งวันทั้งทั้งวันตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดต่างๆไว้ คุณขวัญตาครับเวลานั่งสมาธิถ้ายืนนั่งปวดเวทนามากแบบทนไม่ไหวประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หายเจ็บจนทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนอิทิบาตยกใหม่ถึงจะดีขึ้นค่ะยังไม่ได้สติและสมาธิเลยค่ะก็ต้องพยายามต่อไปพยายามช่วยเฉพาะเฉพาะเวลาที่มันเจ็บก็พยายามทุ่มเพิ่มกําลังของสติให้มากขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธให้มากขึ้นอย่าปล่อยพุทโธพุทโธ ถ้าเราสามารถกาะติดกับพุทโธได้จิตเราก็อาจจะผ่านความเจ็บได้แล้วเข้าสู่ความสงบได้คุณทวัฒครับภพบภูมิเทวดาสามารถปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นเข้ากระแสนิพานได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็สามารถปฏิบัติต่อได้ด้วยตนเองถ้ายังไม่ไม่รู้เป็นพระโสดาบานันก็าอาจจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้ารหรือพระอรหันต์ที่มี มีพลังจิต ท, ที่จะไปเทศไปสอนให้กับพวกเทวดาถึงจะบรรลุธรรมได้คุณสัจจารายงานครับบอกว่าการฝึกสมาธิทำยากมากค่ะห้านาทีก็ว่าแป๊กไปที่อื่นแล้วจะเพียรต่อไปค่ะความพยายามนี้นะวกมสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ต้องกังวลเมื่อตอนอาจจะได้แค่ห้านาทีต่อไปก็เพิ่มเป็นหกนาทีเจ็ดนาทีขึ้นไปเรื่อยๆได้ คุณหนูบีครับพระอาจารย์ครับหนูภาวนาพุทโธดูลมหายใจขณะนั่งรถไปทํางานเลิกงานและก่อนนอนพอพุทโธสักพักคือหลับไปเลยค่ะปกติหนูสวดมนต์ก่อนนอนเป็นบทเมตตาใหญ่เฉลี่ยสวดร่วมกับพระมหาจากักรพรรดิเกือบทุกคืนวันพระก็จะมีการโองเงินไปทําบุญตามวัดมูลนิธิแต่เป็นจํานวนไม่มากค่ะพระอาจารย์หนูอยากสงบนิ่งและปล่อยวางให้มากกว่านี้เวลามีเรื่องกังวลใจจะเอาเก็บมาคิดแล้วเกิดทุกข์ค่ะ ก็ต้องพายาหาเวลาไปปรีดวิเวกบ้างเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ช่วงไหนที่เราไม่ต้องทํางานหยุดงานได้หลายวันก็ลองไปหาที่สง บ, บไปภาวนาอยู่คนเดียวจะได้เจรานสตินั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วกําลังของธรรมที่เราจะจะมีมากขึ้นจะทำให้ใจของเราสง บ, บมากขึ้นพุทธพรบูรครับ การฟังธรรมตามสื่อต่างๆและทํากิจกรรมงานบ้านทําเป็นประจําจะเป็นบุญหรือบาปอย่างไรครับการฟังธรรมเป็นบุญถ้าเราถ้าเราได้อันที่สองอย่างใดอย่างหนึ่งคือฟังแล้วจิตใจเราสงบเย็นมีความสุขเนี่ยหรือฟังแล้วเกิดปัญญาความควมเข้าออเข้าใจที่ถูกต้องหรือกําจัดความรังเลยสงสัยในเรื่องต่างๆได้อันนี้เป็นอันที่สองของการ การฟังธรรมถ้าเราได้อันทสองนี้ก็ถือว่าเราได้บุญจากการฟังธรรมคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากคุณงามครับสวดบูชาพระมหากษัตริย์ไทยเช่นพระเจ้าตากพระนเรสวนพ่อรอห้านี้ขัดต่ อ, อ ก, การปฏิบัติธรรมไหมครับไม่หรอกเพราะว่าพระพุทธศาสนาเขาสอนว่าบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นบางคลอย่างยิ่ง ครับอาจารย์ครับสักครึ่งครึ่งครับวันนี้มีคนฟังธรรมอยู่ใน f ฟ c e b o o ห้าร้อยเก้าสิบคนครับใน y o u ู u ห้าร้อยแปดคนในกราฟเฮาสจ็ดคนวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับห้าคนครับอาจารย์ครับวันนี้น้อยหน่อยอาจจะเป็นเพราะคุณหมอไม่ค่อยสว่างอะไร อ, อไรคิดว่าไปคุณหมอหรือเปล่าก็แล้วไม่ไม่เป็นไรแล้วแตม่มี้ามีมีมากบ้า ง, างน้อยบ้างเป็นธรรมนา ก็ยินดีกับทุกท่านที่ยังเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่หวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมกวรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทามยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเถอสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงทนี้ ถ้าไม่มีเหตุการข้องอันใดก็คงจะได้พบกันเองในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอจเจริญพรครับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ